นามัส ก, การพ่อครูสมณพโททิรักษ์นมัส ก, การสมณศิคามาตทุกรูปแล ะ, จะเจริญธรรมสมเด็กดีทุกๆ ท, ท่านนะครับที่อยู่ที่ปฐมวสุแห่งนี้นะครับและท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการวันนี้นะครับรายการธรรมมาธรรมะสงครามวันนี้เราจัดกันที่ปฐมวสุนะครับหลายท่านอาจจะเปิดดูทาง สถานีบุญนิยมทีวีหรือบางท่านอาจจะเปิดทางสถานีวิทยุหรือบางท่านอาจจะเปิดดูทางช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือบางคนก็อาจจะมาดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสผมเองนะครับได้มีโอกาสมาที่ปฐมอศอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้มีโอกาสในการมาพูดซักถามประเด็นซัก สอดแทรกนะครับในเรื่องธรรมต่างๆนะครับที่พ่อครูท่านได้อถาธิบายนะครับเพื่อความเข้าใจของตัวผมเองแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้เข้าใจในเนื้อหาประเด็นธรรมที่พระครูอธิบายเพื่อให้ชัดเจนในรูกปธรรมมากยิ่งขึ้นในคราวที่แล้วที่ผมมานั้นก็จะเป็นช่วงวันมหาปวรณ า, านะครับประเด็นเมื่อวานที่พรอครู ได้อา ธ, าธิบายทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสติปัญสีเนี่ยพอเอิญมันเป็นความค้างคาใจด้วยเหมือนกันในการที่มาครั้งที่แล้วที่ปฐมโศกในงานมหาปกราณา์าผมขับรถเลยเลยครับไอการที่เลยเนี่ยพอเลยไปสักพักเนี่ยมันเริ่มตั้งสติคิดขึ้นมาได้เฮ้ยเราขับรถเลยเลยบอกกับตัวเองว่ามันมีไอ้ตัวอยู่สองตัวมันคุยกันในตัวเราเนี่ย ไอ้ตัวสองตัวเนี่ยมันคุยกันไปคุยกันมาจนเราเลยเลยว่าหมายหมายที่มั่นเราบอกเราต้องมาปร ะ, ะโสโศกแต่ขับเลยไปเส้นแทนที่จะเลี้ยวเลยไปเลยครับพอตั้งสติขึ้นได้เลยบอกตัวเองว่ามันเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมามันใช่อย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยบอกตัวเองว่าเอ๊เราก็มีวิชาอยู่ไอ้วิชาหนึ่งที่เรามักจะรู้แล้วพูดอยู่เสมอคือวิชาฝึกลมหายใจ ไอ่ฝึกเข้าฝึกออกอ้าแล้วเวลาปกติมันหายไปไหนวิชาอย่างนี้อยู่ๆปล่อยให้มันเลยแล้วผ่านไปได้นะครับไอ้สตัวที่มันคุยกันผมขอย่าผมใช้คําว่าตัวนะครับครูจะเรียกมันว่าอย่างไงเพราะมันเป็นเหมือนตัวมันเป็นกายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าตรงเนี้ยที่มันคุยกันมันพากันไปนี่แหละครับตรงนี้แหละครับจึงอาจจะเป็นประเด็นต่อเนื่องอยากมีโอกาสได้ซักถามพรอครูในเรื่องของ ความเชื่อมโยงในเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่เอาตัวแบบที่ผมยกตัวอย่างเล่าเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเป็นตัวตั้งว่ากระบวนการของความเป็นไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำในส่วนของสติปัฏฐานสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกายานุ ป, ปัสสาสตินะครับสติปัฏฐานเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นเพราะว่าผมขาดไอ้ตรงนี้ไปปะมันเกิดมีตัวอะไรมาสอดแทรกไอ้กายที่พ่อได้อธิบายไว้ ไอ้สตัวนั่นมันคือกายที่มันเป็นกายในมิติที่พวอครูอธิบายหรือเปล่าครับพอผมคิดว่าหลายคนคงจะเป็นอย่างนี้บางครั้งมันหายไปเหม่อไปลอยไปแล้วมันคุยกันมีอะไรล่องรอยเพอร์เจอร์เนี่ยครับพวกเพรสเจอร์เนี่ยที่มันล่องรอยเนี่ยทั้งที่เรายังลืมหูลืมตาดูกันอยู่อะไรอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรครับมีนัยยะปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างไรในเรื่องของสติปัฏฐานสีเรื่องอนาปานุสติทั้งหลายเนี่ยต่อการที่จะทําให้สติปัฏฐาน4ี่เนี่ย ได้เดินได้แล้วก็สติสัมปชัญญะได้คงอยู่ได้ตรงนี้ก็เอาเอาประสบการณ์มาซักถามเป็นประเด็นครับกับรัศกรพักกุค่ ะ, ะคำถามนี้เนี่ยดีนะแล้วก็ชัดสำหรับผู้จะชัดแต่จะยากสำหรับผู้ที่จะตามเข้าไปถึงภาวะ้องความเป็น ที่เรียกกันในภาษาพิจาร่าประปรมัตฑ์เนี่ยคือเรื่องของจิตเ จ, จ, จตสิกรูปสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นรูปรู ป, ป ร, รูปเป็นมหาภูต ร, รูเป็นดินน้ำไฟลมนะมันก็เป็นรูปที่ถูกรู้แล้วก็แยกไปข้างนอกนันไอ้อย่างนั้นน่ะมันก็อธิบายแล้วพูดแล้วมันก็เห็นกันง่ายผู้กันรู้เรื่อง วันนี้เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันติดตากระทบหูได้ยินแม่หูได้ยินจะเป็นนามมันเป็นอารูปหูนี่เป็นเสียงเป็นอารูปก็ตามมันก็ยังพอพูดก็รู้เรื่องง่ายกลิ่นก็เป็นอารูปมากระทบหรือรถก็เป็นอารูปก็ยังพอรู้ง่ายสัมผัสแต่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันรวมละรวมทั้งไอ้วัตถุ ที่เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอะไรมากระทบมาอะไรใหรือแม้แต่นามมาทำในระดับความร้อนความเย็นอะไรมกระทบะมันก็ยังรู้ได้ง่ายทีนี้พอเข้าไปข้างในข้างในเราจะไปอ่านในใจเนี่ยโดยเฉพาะในใจที่เป็นนามในใจที่เปิดความรู้สึก เป็นอารมณ์ของจิตเป็นาธาตุรู้ยิ่งยากนะเพราะคนเรามันถนัดแต่เรื่องรูปเรื่องภาพเรื่องสีเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นพวกนี้ข้างนอกเนี่ยครับพอบอกเป็นอาการจิตซึ่งคำว่ากายนี่นะที่มันเพี้ยนมันผิดไปในาศาสนาแล้วก็กำหนดไม่ได้อย่างที่คุณถามมาเมื่อกี้นี่เป็นประเด็นที่ต้องตั้งใจฟังดีด ถามว่ามันมันไม่มันเพลิสติไปและมันไม่กําหนดรู้นะมันเป็นกายหรือเปล่าคําว่ากายในแปลว่าองค์ประชุมหรือองค์รวมของทางรูปและนามทั้งข้างนอกและข้างในแต่ทีนี้ที่ถามเมื่อกี้ว่ามันมันขาดมันไม่ได้กําหนดรู้รหรือเปล่ามันไม่ใช่ไม่กําหนดรู้นะมันเข้าใจคําว่ากายผิดไปจากความจริง เรียนมาหรือเข้าใจมาแม้ในคนไทยก็ไปเข้าใจคําว่ากายนี่ซึ่งเป็นภาษาบาลีทางธรรมเนี่ยผิดไปเป็นภาษาไทยว่ากายในหมายถึงร่างข้างนอกไม่เกี่ยวกับจิตปัญ ญ, ญาไม่มีเกี่ยวกับความรู้สึกไม่เกี่ยวกับนามธรรมไม่เกี่ยวกับสติไม่เกี่ยวกับปัญญาไม่เกี่ยวกับธาตุรู้เลยกายนี่คือดินน้ำไฟลม แท่งกอนที่ปรุงแต่งก็นอยู่ข้างนอกเนี่ยหรือแม้แต่ร่างกายก็หมายถึงกินน้ำไฟลมที่มันแต่งปรุงแต่งกันอยู่เป็นเป็นวัตถุรูปมันไม่เอาคำว่านามมาทำตั้งแต่สติรวมรู้สัพพัญญะปัญญาเข้าไปข้างในน่ะเขาไม่รวมว่ากายมีส่วนนั้นรวมอยู่ด้วย oh. เขาไม่เข้าใจว่ากายว่ามีส่วนนามรูปอยู่ด้วยเพราะงั้ น, นคาว่าสติก็เป็นเรื่องของนามธรรมไม่ได้เข้าไปร่วมกับคำว่ากายที่ภาษาไทยหรือแม้แต่นักปฏิบัติธรรมนักอภิธรรมเลยด้วยขอยอยืนยันว่าแม้แต่นักอภิธรรมเลยด้วยก็ไม่ได้เอาคาว่าสตินี้เข้าไปร่วมกับกายเลยอันนี้แหละมันเป็นความขาดเป็นความผิดเพี้ยน ที่ทำให้พิจารณากายในกายไม่เป็นแล้วมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนไปอีกว่าพิจารณากายในกายไม่เป็นเนี่ยบางคนจะแย้งว่าเขา พ, พิจารณาเป็นเพราะเขาเห็นกายทิพย์อยู่เขาเข้าไปข้างในเขาเห็นกายทิพย์แล้วเขาก็พิจารณากายทิพย์เช่นเขาเห็นกายของผีกายของเทวดา ซึ่งเป็นรูปเป็นภาพของกายที่เ็านั่งหลับตาทิพย์แล้วก็เห็นเขาก็กําหนดคาว่ากายนี่เห็นแต่รูปร่างเห็นแต่สรีระเห็นแต่เส้นแสงเงาสีของตัวตนของผีของเทวดานั้นๆเขาไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆคำว่ากายนี่เมื่อไปข้างในแล้วเนี่ยเริ่มต้นแต่คำว่ากายในกาย กายนอกกายนั่นก็คือกระทบต่างๆหูจมูกดินกายข้างนอกเพราะกายในกายนี่เป็นองค์ประชุมเขาไปข้างไหนแล้วใช่ครับเขาก็ไปคำนวณ ก, กายในการนี่เป็นเป็นรูปภาพเป็นภาวะของผีก็มีรูปร่างเช่นเ ป, นปรตก็เห็นโอ้โหหลับตานีเห็นเลยเป็นรูปร่างยาวๆตัวใหญ่ๆ ปากจู๋ๆแขนยาวๆเล็นลิๆยาวๆอะไรก็แล้วแต่ก็เราจะมีเปรตนานาสารพัดรูปล่ะเขาก็จะไปเห็นแต่รูปอย่างนั้นคําว่ากายในกายนี่เป็นนามแล้วครับไม่มีรูปเลยอไม่มีสรีระเลยเป็นอาการลิงคนิมิตอุเทศครับที่พระเจ้าตรัสบอกต้องรู้เป็นนามมารูปแล้วครับมันไม่ใช่กายกายในกายนี่ไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่รูปข้างนอกแล้ว เป็นรูปประกายหรือเป็นนามากายถ้ารูปประกายต้องเกี่ยวเนื่องข้างนอกอยู่ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามพระเจ้าจะรูปะร้ประปอบกายคือเห็นองค์ประจุข้างนอกที่เป็นรูปวัตถุแล้วก็อ่านข้างในเรียกว่าเป็นนามน <ำ S 1> อยู่ด้วยเรียกว่ารูปประกายแต่ถ้าเรียกว่านา ม, มากายเนี่ยมันจะพกข้างในครับเพราะฉะนั้นในกายในกายนี่เป็นนา ม, มากายแล้วครับแต่นามกายเขาก็ยังไปเข้าใจเป็นรูปอีกแหละ ไปเห็นรูปรูปแล้วรูปกันหมายความว่าไอ้สิ่งที่มีตัวตนมีรูปร่างมีสรีระด้วยนะ <c oughs> เส้นแสงเงาสีอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอาการเท่านั้น <c oughs> อ่าไมไ่มาเป็นรูปธรรมเลยไม่ได้เป็นอาการเท่านั้นด้วยน <c oughs> ะมันจึงยากมากเลยที่อาตมาพยายามจะอธิบา ย, ลยและคนที่รู้ที่มีญาณปัญญาจะอ่านรู้นามมารูปหรือนามมักายเนี่ย รูปแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้รด้วยญาณปัญญาเราถ้ารูปข้างนอกก็ถูกรู้เป็นรูปอ่าเป็นรูปข้างนอกแล้วก็กำหนดรู้ได้พอเข้าไปข้างในเป็นนา ม, มาทำแล้วเนี่ยมันเป็นนามนามนี่มันไม่มีเส้นแสงเงาสีอะไรนามเนี่ยมันยิ่งกว่าอะรูปอีกมันเป็นความรู้สึกมันเป็นธาตรูร้ะนามเนี่ย มันไม่ใช่อรูปนะอารูปมันก็คือสิ่งที่ถูกรู้ส่วนนามเนี่ยมันเป็นตัวความรู้สึกเป็นความรู้เพราะฉะนั้นกายในกายนี่เป็นธาตรู้ที่จะต้องรู้อาการของความรู้สึกเพราะฉะนั้นคาว่ากายในกายแท้ๆก็คือเวทนา<ำ>หรือคือจิตเลขรวมกายหรือเวทนาหรือจิตเพราะฉะนั้นมันจะเป็นนามประธาตมันไม่ใช่รู ป, ประธาตเลยเ เพราะงั้นจึงเรียนรู้สติปัฏฐานสี่กำหนดรู้กายในกายเห็นแต่รูปและก็แยกเวทนาไปเป็นเวทนาต่างหากเป็นความรู้สึกอีกต่างหาก mm. เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขเอาแล้วก็แยกไปเลยไม่เห็นจากสิ่งที่ต่อเนื่องมากจากข้างนอกที่เรียกว่ารู ป, ปกายและก็มาเป็นกายข้างในเรียกว่ากายในกาย เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณถามว่าคุณเองคุณก็ลืมตากำหนดมันแต่คุณมันไม่รู้กายมันไม่มีสติรู้กายทําไมําก็คุณไม่ได้ไปต่อเนื่องหาสติอื hmm. หาความทักรู้อะไรเลยมันขาดไปเลยมันไม่ได้พิจารณาการจิตของเราว่าเออเราตอนนี้เรามีความรู้สึกไงเห็นอะไรเกี่ยวกับถ น, นนเกี่ยวกับการวิ่งอยู่กับเนี่ยของอะไรข้างนอกนี่คุณไม่ได้เกี่ยวสติของคุณก็ไปอยู่กัน ความคิดนึกหรือเป็นรูปเป็นนามมาทำอะไรไปหมดมันไม่ต่อเนื่องไอ้รูปข้างนอกนี่เลยเพระะั้สติที่บอกว่าสติมีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือมันจะเชื่อมโยงกับข้างนอกจึงเรียกว่ารู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งรูปและนามและมันก็จะเชื่อมต่อความรู้สึกกับจิตด้วยต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงเรียกว่าสติ ต่อเนื่องไม่าขาดสัทธาสายุกสติขาดจึงจะเรียกว่ามีสติใช่อืจึงจเรียกว่ามีสติเพราะการพิจารณากายคตาสติกายคตากายคตาแปลว่าการอาการประชุมของรูปและนามครับกายนี่คือรูปและนามไม่จะมีแต่ร่างกายครับมีทั้งรูปและนาม เอ้วันนี้สงสัยจะต้องอธิบายในเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมั้งมันยากนะอาตมาว่ามันยากเพราะมันได้เข้าใจผิดกันเป็นไกลเหลือเกินล่นะนะพราะเขาพิจารณาแต่เพียงว่าถ้ากายเนี่ยตัดเลยมีแต่รูปธรรมติดน้ำไฟลมแม้จะไปข้างในก็เป็นเส้นแสงเงาสีเป็นรูปราไม่ได้เกี่ยวกันน้ำเลยเพราะงั้นคุณถามว่าไม่รู้สึกเลย คุณด้วยสรุปว่าสติของคุณมันไม่เต็มสติมันไม่ได้ต่อรูปได้นามใช่สติสัมปชัญญะที่จะต่อต่ อ, อไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ต่อไม่ต่อการต่อก็คือการมีสติสัมปชัญญะจุกเพราะ ค, รคุณไปตัดแล้วว่ากายนะั้นถ้ามีสติก็รู้แต่ข้างนอกอส่วนความสืบต่อข้างในนั้นน่ะคุณจะรู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังจะไปเดินทางไปทางนี้กายกําลังพาดําเนินไป แล้วก็สติก็ต้องต่อว่าดําเนินไปจะย่างจะไปจะมาจะเลี้ยวจะต่อจะจ ง, งนตรงนี้อะไรตอะไรต่างๆนานา ค, คุณก็ไม่คุณจะขาดไปอยู่กับ น, นามธารรมกําลังนึกคิดเรื่องอะไรอะไรไปก็ตามครับแล้วก็เลยขาดจากการที่กําลังเลี้ยวไปตรงนี้ก็เลยจะเลี้ยวตรงนี้คุณไม่ได้กําหนดตามไม่ได้กําหนดตามครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้กําหนดตามขาดกายอืม แต่ตอนนั้นคุณขาดกายกายมันไม่ที่ต่อมันไม่ง่ายนะที่จะรู้ว่านี่ขาดสันติระหว่างสติกับสัมปชัญญะมันขาดแล้วเพราะงั้นมันก็เลยคิดอยู่กับตรงที่เรานึกคิดเพราะงั้นไอ้กายหรือว่ารูปธรอมข้างนอกมันเชื่อมโยงกับการที่ว่าคุณจะต้องกำหนดว่าไปตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้สัญญาคุณก็ขาดสันติคุณก็ขาด มันก็เลยไปเอ้ามันเลยไปนี่รู้ตัวเอ้าเราจะเลี้ยวโน่นน่ะมันไม่ได้เลี้ยวอ่ะเพราะ ค, รคุณไม่ได้กําหนดตามในะสัญญาที่จะกําหนดตามสติคุณไม่ได้ใช่ครับนี่ขนาดแบบครบองค์คุณลืมตาด้วยนะใช่คุณน่าจะจำไว้เฉยแต่เวลาเวลามันจริงดําเนินกายขะตะมันกําลังดําเนินไปครับกายกําลังดําเนินไปคุณไม่มีสติควบคุมสติของคุณขาดไปเป็นตัวกําหนดรู้ไอ้ที่มันกําลังคิดอยู่อันไหนก็ไม่รู้เพราะนั่น จิตของคุณอยู่ข้างในจิตของคุณไม่ได้ร่วมกับข้างนอกเลยอมันมีองค์ประกอบข้างนอกครับเพราะกายของคุณจึงขาดขาดอยู่ข้างนอกอ huh สติของคุณก็รวมอยู่ข้างในเพราะงัถ้าเขาอธิบายกันแล้วก็ฟังกันทุกวันนี้เนี่ยคนที่เรียนรู้เนี่ยก็จะอธิบายว่าสตินี่คือข้างในเท่านั้นอถ้ปปาปัญญาคือข้างในเข้าไปอีกเลยไม่เกี่ยวกับข้างนอกนแต่ที่จริงมันเชื่อมกันหมดที่รเรียกว่ากายอกายคือเชื่อมกันหมด อ hmm. กายนี่มันคือความเชื่อมต่อกันหมดครับถ้าไม่มีกายเลยนี่ความเชื่อมต่อไม่มีอถ้าไม่มีกายก็ความเชื่อมต่อไม่มีอายตนะไม่มีไม่มีกายเลยอื hmm. ก็คืออายตนะมันเป็นห้าถูกไหมครับตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, <ช>ใจเป็นห้าบวกหนึ่งยังไรก็ตามห้าเนี่ยทําหน้าที่ต้องส่งมาที่หนึ่งสุดท้ายคือคือภายในใช่ต้องสัมผันสเกินมารู้ทั้งห้านี้ด้วยอืหรือมันจะรู้หนึ่งก็ตามเช่นอาณาปานสติครับตัดมาแล้วดินน้ำไฟลมเหลือลมอะไรลือเหลือนี่เดียวไอ้แข่งก่อนอะไรมวนหลับตาอยู่ในรวังกําหนดรู้แต่ลมมันเข้าเรามันมันมีสัมผัสที่ผิวหนัง ที่จมกูกที่ผิวหนังก็กําหนดรู้ตัวนี้มันลมเออมันสัมผัสเอาลมเข้าท่านก็เรียกว่านี่คือกายมันเหลือเท่านั้นแต่มันต้องมีข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งคำดินนา้าไฟโอ้คุณก็ต้องสัมผัส ด, ด้วยแต่แม่คุณจะตัดมาแล้วหรือแต่ลมเยให้ขานตะขาดไม่มีกายอม hmm. ีลมจึงเรียกว่ามีกายอื hmm. ถ้าขาดลมมาอีกอย่างที่ว่านั้นคุณไม่มีรู้เลยว่าดินนา้าไฟอะไรคุณไม่รู้เรื่องเลยมันเหลือลมนิดเดียว ถ้าลมก็ไม่รู้ด้วยกําหนดไม่รู้ลมนี่มันผัดอยู่ข้างนอกนี่ด้วยข้างนอกมันต้องข้างนอกด้วยนะใช่มันเป็นข้างนอกมันเข้ามันออกเป็นข้างนอกนะถ้าคุณไม่ขานี่นะคุณเรียกว่าอแล้วตอนนี้เราก็ลมเข้าไปข้างในแล้วก็เล่นลมล่างลมบนอะไรพวกที่เขาอธิบายบางอาจารย์เละเลยไม่ใช่กายขตาสติเลยอืกายไม่มีแล้วเพราะขาจะข้างนอกกายไม่มีแล้วครับนี่เรียกว่ารูปกาย รูปกายนะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ข้างนอกรูป ร, รูปทีนี้ถ้าเรียกว่านา ม, มากายตอนนี้ไม่เกี่ยวกับรูปข้างนอกแล้วตัดก็ไปข้างในและอง์ประชุมกันข้างนอกแล้วเป็นกายคือเหมือนกันเป็นคมว่าองค์ประชุมองค์รวมอง์รวมของนามไม่มีรูปเพราะฉะนั้นคำว่ารูปกายเนี่ยยังจะมีข้างนอก ถ้าคำว่า น, นา ม, มากายเนี่ยไม่มีข้างนอ ก, ม, นอกมีแต่ความรู้ข้างในที่เป็นองค์ประชุมเพราะฉะนั้นกายในกายเป็นองค์ประชุมข้างในกายเนี่ยถ้าคุณจะเห็นผ้าเห็นเส้นเห็นแสงเห็นสีเป็นรูปเป็นร่างข้างในเนี่ยคุณจ ะ, ะระลึกเห็นอยู่มีภาพมีอะไรมันไม่ใช่ความจริงที่คุณเห็นข้างนอกใช่ไหมใช่ ไม่ใช่ความจริ ง, ใ ช, รงใช่ไหม อ, อันนั้นคุณกำหนดรู้ถ้าคุณกำหนดรู้ข้างนอกเนี่ยแมไม่คุณกำหนดรู้หนังสือก็ได้แทงกอนหนังสือเนี่ยตาแต่พอคุณหลับตาแล้วภาพหนังสือก็กาหนดรูปขึ้นอยู่ข้างในภาพาสี่เหลี่ยมเนี่ยสีนำ้ำเงินก้อนอย่างนี้เป็นภาพรูปขึ้นมาเลยข้างในเป็นภาพขึ้นมาเลยคุณเห็นภาพนั้นน่ะ มันเป็นองประชุมของรูปประกายแต่ตอนนี้มันไม่มีรูปแล้วรูปรูปรูปมันไม่มีแล้วมันจึงเหลือแต่นามองประชุมของนามจึงไม่ใช่รูปประกายแต่คุณรูปคำว่ารูปนี่มันกึ่งคำว่ารูปนี่มันกึ่งข้างนอกและมันก็กึ่งมันก็รวมไปหมดด้วยเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเรียกว่ารูปหมด โดยพยัญชนะของปาลีก็ตามในความหมายทางธรรมในความหมายของไทยสิบสิ์ขาดความหมายของไทยเนี่ยรูปเนี่ยเขาเป็นหมายถึงภาพรูปเ็าหมายถึงภาพมีรูปมีร่างมีโครงสร้างมีโฉมมีสวดมีทรงมีสีมีสันนีรร่เขาเรียกว่ารูป คามหมายเท่านั้นมีรูปม um> ีร่างมีส่วนส่ทงเขาไม่หมายถึงว่าสิ่งที่ถูกรู้ด้วยนามนี่เรียกว่ารูเข้าหมายนี้ขาดหายไปเพราะฉะนั้นพอบอกว่าสิ่งที่ถูกรู้ด้วยนามเนี่ยโดยจิตของเราเนี่ยโดยวิญญาณของเราเนี่ยท่ารู้ของเราเนี่ยมันไปรู้อะไรเข้าแม้มันเป็นรูปมันก็เป็นรูป เป็นนามมารูปครับถ้าเผื่อว่ามันเข้าไปข้างในมันไม่มีรูปให้กำหนดรู้แล้วมันไปกำหนดรู้ความจำเป็นต้นครับกำหนดรู้ความคิดเป็นต้นครับกำหนดรู้อารมณ์เป็นต้นครับซึ่งเป็นนามมาทำทั้งนั้นนะใช่ครับไออารมณ์เหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเหมือนกันอันนั้นแหละคือนามมากายอ๋อเพราะมันไม่เกี่ยวเรื่องกับ ตาหูจมูกนี่การมันไม่เกี่ยวกับดินน้มไฟลมมันก็น่าจะยากอยู่หรอกเนเพราะว่ามันมันกึง่งกึงมันค้ำข่ามันมันตั ด, ต, ดตัดส่วนต่างๆยากครับพระพุทธเจ้าทังแบ่งรูปออกเป็น28รูปมหาภูตา ร, รูปในสี่ดินน้มไฟลม ส่วนรูปต่อมานี่มันจะกั้ำกึ่งอยู่ตรงอุปาทายรูปช่วงแรกคือมีตาหูจมูกลิ้นกายห้าแล้วมันก็กระทบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็กายไปสัมผัสกระทบกับทุกๆอย่างข้างนอกในประภตภะข้างนอกเนี่ยพอกระทบสัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วก็เกิดถูกรู้ เช่นเรากระทบภาพเราก็เรียกว่ารูปภาพเสียงกระทบหูเราก็เรียกว่ารูปของเสียงกระทบกลิ่นเราก็เรียกว่ารูปของกลิ่นสิ่งที่กำหนดถูกรู้นี่มันเป็นรูปทั้งนั้นกระทบรสที่ลิ้นเราก็เรียกว่ารูปของลิ้นกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงก็จะที่กายที่องค์ประชุมภายนอกมันสัมผัสแล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปที่กระทบสัมผัสภายนอกนี่เรียกว่ารูปเรียกว่ารูปประกายคาว่ากายในต้องมีทั้งนา ม, มาทําได้รูปธรรมเพราะยังมีกายนอกอยู่ก็เรียกว่ารูปประกอบกายพอมันไม่มีรูปนอกแล้วดินนา้าไฟลมมันไม่มีแล้วรหรือแม้แต่ตาหูจมูกลิ้น มันก็ไม่กระทบกับรูปไม่กระทบกับเสียงไม่กระทบกับกลิน่นไม่กระทบกับรินครับมันกระทบสัมผัสกับส่วนภายนอกผิวภายนอกทั้งหมดเลยครับไปอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในอืมอ่าเราเห็นข้างนอกแล้วเราก็ไปเกิดภาพอยู่ข้างในอืมไอ้ภาพอยู่ข้างในนั่นแหละมันเป็นนามกายครับที่ยังเกี่ยวข้องกับรูปที่เราไปปั้นนั้นอยู่ การส่งผ่านนั่นเรียกว่าความจำมแต่ถ้ารูปที่คุณปั้นขึ้นมาใหม่มันก็ไม่เกี่ยวกับความจำมันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเองนะมันสร้างขึ้นหรือแม้คุณไม่สัมผัสเดี๋ยวนี้แต่คุณก็ระลึกขึ้นมาไอ้รูปที่เคยสัมผัสอ้อรูปนี้อย่างนี้ก็สร้างรูปนั้นขึ้นมาในใจมันก็เป็น สัญญามันไม่ใช่รูปจริงมันเป็นการสร้างอยู่ในท่านเรียกกันพวกนี้ว่ามาโนโมยอัตตาเรียกว่ารูปที่สำเร็จโดยจิตจิตสร้างขึ้นมาเองผมนะเดี๋ยวขออนุญาตพ่อครูนิดหนึ่งพอดีผมเพิ่งจะดูภาพยนตร์ไปเรื่องหนึ่งก็นึกถึงทิสตีไอสไตน์พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับพระอาทิตย์ที่เราเห็นแรกเราเห็นพระอาทิตย์ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระอาทิตย์ ณขณะเวลาทีที่เราเห็นแต่แสงพระอาทิตย์เนี่ยมันถูกเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราเห็นที่มันผ่านมาแล้วพรป์เมื่อกี้ที่พ่ออธิบายคือมันเป็นความต่อเนื่องเหมือนจากข้างนอกที่เข้าสู่ข้างในเพราะฉะนั้นไอ้ข้างในเนี่ยก็คือภายในที่เห็นอยู่เนี่ยคือสิ่งที่มันถูกส่งผ่านต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับผมเลยถึ ง, น, ง, น, งนึกถึงที่จะดีแสงเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้แหละมันถึงจะต้องมีความต่อเนื่องเกิดขึ้น ถึงจะเรียกว่าให้เกิดเป็นเป็นกายอย่างแท้จริงที่ที่ถูกส่งผ่านจากรูปประกายแล้วเข้ามาสู่ภายในภายในใจข้างในกายเป็นกายในกายก็ยังเป็นเป็นสิ่งเดิมนั่นแหละที่เกิดกระบวนการรับและเกิดวิญญาณกระบวนการเกิดขึ้นแต่แต่ภาวะมันเข้ามาสู่ภายในของร่างกายเราแล้วใช่พอเราต่อเนื่องอยู่นั่นต่อเนื่องอยู่ที่มันไม่ขาดเนี่ยเราเรียกว่ารูปประกายครับพอมันขาดจาก การต่อเนื่องแล้วมาอยู่ข้างในจริงๆเลยแล้วก็อ่านในข้างในเราจึงเรียกอันนั้นว่านามมารูปหรือรูปนามมักายเป็นนามมารูปหรือนามกะองค์ประชุมของนามแล้วและมาถูกรู้ก็เรียกว่านามมารูปครับถูกรู้โดยธาตุรู้ของเราครับสัญญากําหนดรู้ก็ตามปัญญาเราจะรู้นึกรู้อะไรก็ตามมันก็เป็นนามมารูป รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ของนามแล้วมันก็เป็นองค์ประชุมของนามเท่านั้นมันเป็นตัวสัญญาด้วยหรือเปล่าครับพ่อสัญญากําหนดรู้สิมันคือเป็นตัวําสัญญากำหนดรู้จุไหมครับเพราะฉะนั้นสัญญาในสำคัญมากใช้เสมอสัญญามันก็คือตัวตัวนามกายนั่นเองจุมไหมใช่สัญญาเป็นนามกายแท้ๆแล้วต้องใช้ตลอดเลยอมันจะเกิดปัญญาสัญญาจะร่วมก่อนสัญญาจะเป็นตัวกําหนดรู้ขึ้นมาก่อน เสมอหรือเวลาศึกษาฝึกฝนนี่ต้องฝึกได้สัญญาสัญญาแล้วก็สั่งสมลงไปเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นกลับมายกตัวอย่างที่ผมขับรถเลยเพราะเนื่องจากว่าตัวหมายคือสัญญาจําได้หมายรู้เนี่ยมันเกิดไม่ไม่ไม่เกิดภาวะเกิดขึ้นเพราะมันมีการขาดถูกไหมครับใช่เพราะเท่ากับมันไม่กลับข้าอความสัญญาที่คุณกำหนดไว้เม่อคุณจะต้องไปตรงนี้นะคุณไปหลงอยู่กับนาม ที่คุณข้างในที่คุณคิดขาดข้างนอกและขาดการประชุมข้างในข้างกายข้างนอกมันไม่ต่อเนื่องขาดความเป็นปัจจุบันที่ต่อเนื่องตรงนี้แหละที่เป็นเหตุที่พระองค์ท่านทึบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จะได้เกิดความต่อเนื่องของของของของตัวที่เรากาหนดกาหนดไว้ที่เราหมายไว้จะได้ไม่ขาดจะได้ไม่ขาดก็คือเป็นนามที่ถูกกาหนดไว้ เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะคงต่อเนื่องนี่แหละโอนั่นแหล ะ, ะถ้าจะพูดไปยังไงมันก็จะยากครับมันจะยากก็ต้องพูดถึงแม้ว่ายากมันก็ต้องพูดทีนี้อาตมาอยากจะอธิบายกว้างให้รวมไปตั้งแต่คำว่าที่พิจารณากันไม่ได้เนี่ยครับที่ว่า ป, ปฏิบัติรำกันไม่ได้สมบูรณ์นี่ก็เพราะว่ามันขาดการเชื่อมสัมพันธ์กัน มันจะต้องเป็นองค์รวมมันจะต้องเป็นองค์ประชุมองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมดเลยและรูปเรื่อนาบแต่ทีนี้ปฏิบัติทํานี้ไปตัดขาดไปหมดเลยตัดขาดรูปป อ, อกตัดขาดกายไปเป็นแต่รูปไม่นามร่วมเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไปพิจารณากายขตาสติกายองค์ประชุมของรูปเละ่นนามมันดำเนินไปคติขะตะเนี่ยมันแปลว่ากาลังดาเนินบทบาทกำลั ง, เ, ดดลงเป็น บทบาทเรื่องราวอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่มันอยู่ในนั้นหมดแหละกำลังทำอยู่กำลังดำเนินบทบาทชีวะของเรารพฤติกรรมของเรากิริยาของเราทั้งหลายแหละมันกำลังเกิดอยู่ที่นี้เมื่อกำลังเกิดอยู่นี่แหละเราคำว่า ก, กายนี่จะต้องมีธาตุรู้รวมอยู่ด้วยในกายคตาสติสูลน่ะพระเตปปิโรเล่มสิบเอ่อเล่ม 14, นะบ ข้อ292เริ่มต้นไปเนี่ยอพอเริ่มต้นท่านบอกว่ากายกะตาสติที่มันเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วผลย้องมีอนิสงส์อานิสงส์มากผลจะไม่อนิสงส์อะไรผลจะมีอนิสงส์ที่จะต่อเนื่องไปจนกระทั่งจะพิจารณากายในกายจะพิจารณาจิตในจิตพิจารณาวเวทนาในเวทนาจิตในจิตต่อเนื่องไปได้หมดแล้วก็ละลดกิเลส กิเล น, นมันเป็นจิตกิเลสมันอยู่ในจิตซึ่งมันจะปกลุงแต่งกันอยู่ในนั้นเราก็เลือกหรือ ว, ว่าเฟ้นเอาตัวกิเลสมาได้แล้วคุณก็กําจัดแล้วคุณก็ทําให้มันจางคลายละความดํางริพลานนั้นได้นี่เป็นเนื้อหาสําคัญของการพิจารณาการขตาสตินะย่อมละความดํางริพลานที่อาศัยเรือนที่อาศัยในเรือนใจเนี่ยในเรื่องอาศัยใ น, ในใจเนี่ย ทั้งหมดเลยทั้งนอกด้วย น, นะสิ ita, นะเคหสิตาเวทนาเรือนคืใช่เคหสิตที่มันอาศัยองค์ประกอบทั้งข้างนอกข้างในซึ่งเป็นทั้งโลกีเนี่ยเลยแกเสีตามันโลกีความดาดิพลาดที่อาศัยเรือนเส็จได้และความดาดิพลาด น, นั้นก็ได้ได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้น ทำให้จนกระทั่งคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นในหมายความว่าเรา ก, กาจัดไปได้เรื่อยๆเรละความลำดีที่อาตมาหยิบตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เห็นว่าการบรรยายกายคตาสตินี่เป้าหมายอยู่ที่ละความลำบิพลานที่อาศัยเรือนเส็จได้ทุกตั้งทุกๆบทเลยทุกๆข้อตั้งแต่ข้อ294 295ไปหมดละอาศัยละความลำบีทุกอัน แต่อิริยาบถต่างๆมีตั้งแต่ยาไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อาณาปานสติข้อ294เนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยกายตาสติอันเจริญอย่างไรแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสมมากดูกระะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมในนี้อยู่ในป่า ก, ก็ดี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 สําเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงกองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสําเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสร็จได้เพราะละความดำริพลานได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นจิตเท่านั้นนะที่นิ่งจิตเท่านั้นหนะ้าที่ละได้ขาดที่คงที่ย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายขตาสติ ไอ้ที่พูดมานั่นคือวิธีการของอาณาปานสติ hmm. ที่เหลือจะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะใครที่อาณ า, าปานสติแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยเริ่มต้นก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวข้อที่หนึ่งหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นนี่ข้อที่หนึ่งอยู่นี่แหละข้อที่หนึ่งข้อที่สองอยู่ตรงเนี้ยไม่ทิ้งลมหายใจในี่เป็นข้างนอกดินน้ำไฟลมครับข้างนอก อยากให้ขาดข้างนอกเพราะฉะนั้นกายขตาสตินี่ก็ต้องมีองค์ประชุมข้างนอกแต่เนื้อแท้นั้นพิจารณาข้างในคุณจะอยู่ในอิริยาบทอย่างนี้ก็ตามนั่งอยู่แล้วก็แม้นิ่งไม่ได้ขยับเขยื่อนเลยตั้งกายตรงนำรงคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนี่เห็นอย่างนี้ก็ตามคุณก็ไม่ได้ขาดจากกาย แม้จะกระดิกข้อ295มาเนี่ยภิกษุเดินอยู่กําลังเดินหรือยืนอยู่ก็รู้ช่าว่ายืนอยู่รู้นั่งอยู่ก็รู้ช่าว่านั่งอยู่กําลังนั่งก็รู้เช่าว่านั่งนอนก็อยู่ก็รู้ช่าว่ากำลังนอนเธอทรงกายอาการใดๆอยู่ก็รู้ช่าว่าอาการโดยอาการนั้นภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสด็จได้ เหมือนกันก็ไปตัดข้างในไม่เกี่ยวแล้วข้างนอกจะอยู่ในอิริยาบทใดๆอิริยาบถอื่นๆอีกในข้ออื่นอีกมากเลยในกายขตาสติข้อเาสบหสองร้อยเก้าสิบกจะทําความเวลาเก้าวไปถอยกลับเวลาแลดูเลียวดูเวลางอแขนเวลาเหยียดแขนเวลาทรงผ้าสังกติบาดจีวรเวลาชั้นเวลาดื่มเวลาเคี้ยวเวลาลิ้มเวลาถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเวลาเดินเวลานั่งนอนตื่นทุกอิริยบทสรุปแล้ว สุดท้ายก็จะต้องดำริละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในอินทรยบทใดแม้คุณจะไปเห็นอะไรจะไปเห็นกระดูกเน่าจะไปเห็นป่าชะจะสบตายไปเน่าี่มันไม่เที่ยงพิจารณา อ, อ, อ, อ, อธิบายถึงความไม่เที่ยงของคนคแม้แต่เป็นเป็นแม้แต่เป็นเป็ น, ปนมีอิรียบทได้จนกระทั่งมันตายจนกระทั่งมันเน่าจนกระทั่งมันเหลือจะ รู้สารพัดสารเพณนี้ไม่รู้กี่ข้อเนี่ยพิจารณาไปหมดเลยทั้งเปื่อยทั้งเน่าทั้งหายไปคุณก็จะต้องพิจารณาเข้าไปหาจิตที่จะละความลำบีพลานที่อาศัยเรือนเคหสิตะนี้ได้ทั้งนั้นเลยให้ได้ละให้ได้กายก็าตาสติจึงไม่ได้ไปกําหนดย่างน้อก้าวน้อเป็นหลักไอนี่มันสมถะ แต่หลักแท้ๆนะคือให้อ่านเข้าไปที่จิตแล้วก็ละชำระละเนี่ยความดํางิีพลาด น, นี่ในที่องค์ประกอบของทั้งหมดทั้งนอกเนี่ยที่โยมอยู่เป็นอาศัยเรือนอาศัยเคหะสิตะทั้งหมดทั้งกายทั้งร่างทั้งองค์ประกอบข้างนอกนี่ให้หมดแล้วมันเกิดอารมณอย่างไงก็คือไปปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ในอารมณ์นั้นอให้มันได้ผลเป็นอาณาปานสติสิบหก จกนกระทั่งถึงสุดท้ายมันเห็นนิโรธเห็นอนิจจังเห็นวิราคานุปต์สีเห็น น, น, นิโรธานุปปสีแล้วก็ปฏิสกานุปปสีอันเป็นสี่ข้อสุดท้ายของส6บหนั่นนี่เริ่มต้นกายคตาสติท่านก็ขึ้นไม่ใช่กายคตาสติท่านก็เริ่มต้น อ, นอนาณ า, าปานาสติาาสตแต่ก็ต้องอยู่ในองค์ประกอบของส6หข้อนั่นพิจารณาข้างในนั่น เพื่อจะได้ละความลำบิดพลานใน อ, อาศัยเรือนเส้นได้แต่เมื่อไปตัดกายมันข้างนอกไม่เกี่ยวกันกับอารมณ์จิตซะแล้วครับจบเพลแล้วมันก็เหมือนผมขับรถเลยนั่นแหละจบเพลแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้จึงพอบอกกายคุณก็ได้แต่สมสถะไปกำหนดอย่างน้อก้าวน้อเป็นอะไรแต่อะไรให้มันชาให้ป็นสติ สร้างสติอยู่กับสิ่งที่เป็นสมถะข้างนอกอพอเข้าไปข้างในก็ไปสร้างสติให้มันอยู่กับสมถะข้างในได้เท่านั้นเลยไปแยกส่วนได้เ<ถ>ท่านั้นเลยพอแยกส่วนมันก็ไม่ได้เป็นอาณาปานุสติที่แท้จริงใช่แล้วก็หนักเข้าไปนี่อาตมาอมเอาของอาจารย์บุรพามาอ่านเมื่อวานนี้ยิ่งไม่ให้คิดไม่ให้อะไรเลยไม่ให้จิตคิดไม่ให้จิตอะไรเลย ให้หยุดหมดเลยให้นิง่งนิ่งหยุดหมดเลยไม่มีความนึกคิดผมเรียกว่าชักปั๊กคือถ้ามันชักปั๊บคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องทำงานแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ให้คิดอะไรเลยไม่มีเครื่องรู้อะไรของจิตกําหนดการคิดเป็นเครื่องรู้อะไรเลยะจะกําหนดอยู่ลมหายใจก็อยู่แต่ที่ลมหายใจกําหนด อ, อ, อยู่ที่คำภาวนาเช่นพุทโธด้วยอะไรก็อยู่ที่คํานั้นเท่า น, นั้น จะอยู่ที่นิมิตกระสินกรสินดินน้าไฟดกก็อยู่กันนั้นเท่านั้นวิธีต่างๆเหล่านี้เพื่อให้จิตมีเครื่องรู้คือรู้แต่เฉพาะหนึ่งเดียวเท่านั้นให้จิตมีเครื่องระลึกแทนที่จะตกอยู่ใต้อํานาจของความคิดอันเป็นสมมุติบัญญัติไปโน่นเลยมันมันก็ขัดในหลักศีลสมาธิปัญญาปัญญามันไม่มาเนี่ยปัญญานี่ก็ไปอธิบายที่เมื่อาวานนี้อาตมาต ค า, าขยายความไปพอสมควรแล้วไม่ไม่อยากจะพูดซ้ําอีกวันนี้มันจะอันอื่นมันที่จะขยายไปมันจะมีอีกนะเพราะงั้นอาตมาก็ขออธิบายเองก็แล้วกันนะอาตมาไปพูดกับเมื่อตําหนิให้คนอื่นแลกไปหมดเลยอาตมาบอกว่ามันผิดแล้วก็พอแ ล, ะ ล, ะละ้วล่ะตําหนิแลกทีนี้นอาตมาก็อยากจะใช้เวลามาพูดอันที่ถูกครับไม่เช่นั้นมันไม่มีเวลาพูดในที่ถูกไปตําหนิแต่อันที่ผิดก็ละไรเออละออไปเยอะละ S <S พูดอีกเท่าไหรก็มันก็มีให้ที่ท่านแสดงออกมากอาตีอัตมาเห็นว่าอันนี้มันผิดแล้วมันก็ไปตําหนิผู้อื่นเท่านั้นเพราะอาตมาก็ยังอยากจะออกความเห็นของอาตมาว่าไอ้ที่ถูกเป็นอย่างนี้นะให้ฟัง <S 2> <S 2> ร่างกายคตาสตินี่สรุปแล้วเนี่ยไม่ได้ขาดไปจากอาณาปานาสติขึ้นต้นท่านก็อาณาปานาสติก่อนดังที่ยืนยันให้ดูแล้วเนี่ยกายคตาสติสูตรเนี่ย พูดด้ใดมีพัตตปิโดกเล่มส4นี่ก็เอาไปเลยเอามาดูกันได้เลยนะก็เริ่มต้นเลยก็บอกแล้วว่าท่านกล่าวเหมือนกันเปะเลยกับอาณาปานสติในข้อแรกข้อสอง้อเนี่ยไปเลยนะเพราะงั้นเมื่อปฏิบัติต่ตอจาก ข้อ294ท่านก็บอกอิเลียบทต่างๆข้างในที่จะปริรณาิจารณาความมันไม่เที่ยงข้างนอกมันก็คือลักษณะไม่เที่ยงแล้วก็ไปถึงขนาดจิตในจิตมันก็จะไม่เที่ยงแล้วมันก็จะไปยึดติดแล้วก็จะเป็นทุกข์ไปปรุงแต่งเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรให้เข้าไปข้างในสรุปแล้วก็คือเป้าหมายหลักจะต้องละความลำดิพลาดทั้งหมดทุกอิเลียบท ไม่ว่าคุณจะต้องพิจารณาข้างนอกตั้งแต่หยาบตั้งแต่มหาภูตรูปไปจนกระทั่งถึงอิเลียบทต่างๆจนกระทั่งถึงความแปลเปลี่ยนไปต่างๆจนกระทั่งมีกลิ่นมีเน่ามีเม้นมีละลายน้ําหลืองน้ำอสุภะต่างๆคนั่นคือความไม่เที่ยงทั้งสิ้นแต่ความไม่เที่ยงทั้งหลายแหล่นั่นมันก็คือมันก็ไปทําอะไรมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่สมุดมันก็เป็นสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติมันเนื้อ แต่ไอสิ่งที่จะรู้แตพิจารณานั้นคือพิจารณาจิตในจิตไม่ใช่ไปกำหนดนิ่งแต่พิจารณาให้อ่านจิตมันเคลื่อนไหวตามพรงนี้แล้วมันไปยุดติดแต่อย่างนี้อย่างงี้ต้องได้ต้องมีต้องเป็นมันจะต้องเที่ยงจะต้องอย่างนี้อย่าเดินอย่างนี้อย่าขยับอย่างนี้จะต้องอยู่นิ่งๆจะต้องอย่างนี้จะต้องไม่ไปไม่มาหรืออย่างนี้ก็อย่าสลายอย่าเปลี่ยนแปลงไอยยางงี้จะต้องอยู่คงที่ ร่างกายก็ไม่ต้องตายมันต้องเปื่อยนะไม่ต้องเน่านะอะไรมันไม่ได้อนั้นมันเป็นแต่ใจเราไปยึดมั่นถือมั่นเอาอันโน้นแหละที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเที่ยงจะต้องได้ดังใจจะต้องกำหนดตามที่ว่ากำหนดมันไม่ใช่คุณอ่านใจของคุณตั้งหาดที่มันไปมั่นหมายว่ามันจะต้องได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตาหาของคุณที่คุณอยากจะให้เป็น แ ต, แต่รูปว่าเออรูปจะต้องเที่ยงนะรูปจะต้องสวยอย่างนี้ hmm. ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงกลิ่นจะต้องหอมอย่างนี้ตลอดการจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องอยู่ยังคงที่อย่างนี้อะไ ร, รก็แล้วแต่ไปยึดมันคงไว้ยึดไว้ให้มันคงที่คงเที่ยงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าย่องคงที่คงเที่ยงอันเป็นจิตภายในเท่านั้นอื hmm. จิตภายในเท่านั้นที่คงที่คงเที่ยงคือจะต้องเข้าใจจนกระทั่งสุดท้ายแล้ว มันไม่มีกิเลสไปปรารถนานี่เลยมันจยจะเที่ยง hmm. ที่อาตมาพยาอธิบายว่าคุณต้องทำความละนายคลายนี่ไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาเจตสิกเมื่อมันอุเบกขาคือมันไม่มีกิเลสและมันวางเฉยต่อการกระทบสัมผัสจะสัมผัสยังไงมันก็อุเบกขาแล้วคุณจะต้องให้อุเบกขานี่อยู่อย่างนี้ะไม่มีอะไรทามาทาลายได้ และไม่เปลี่ยนแปลงไปได้จนถึงขั้นนิจจังทู้วังสัสตังอวิปปินามะธรรมังสังกังสังกปังนั่นแหละความเป็นอุเบกขาณิตางหะที่เที่ยงอื ม, มันไม่ใช่ดินน้ําไฟลมมันไม่ใช่อริยบทเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่อะไรต่างๆนานาพวกนั้นที่ลวงแต่งกันอยู่ข้างนอกหรือข้างในเองก็ตามอารมณ์เศร้าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น แต่อารมณ์ที่มันไม่มีเศร้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือเวทนามันกลางๆแล้วมันไม่เศร้าไม่สุขไม่ทุกข์แล้วแล้วก็รู้ชัดกําหนดรู้ได้มีปัญญารู้เข้าใจหมดเลยไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่พิจารณาทาให้นิ่งๆๆไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกหมันอย่างอาจารย์บุรพาที่ว่าไว้ในหนังสือเนี่ยที่บทความที่เขียนมาขออภัยนะอาจารย์บุรพาที่เอามาเป็นเหตุปัจจัยในการ ช่วยอธิบายก็ขอบคุณที่ได้ของท่านมาที่อย่างที่ท่านเข้าใจเนี่ยอาตมาเข้าใจดีแล้วก็ขอเห็นความแยง้งไม่ได้เถียงไม่ได้ว่าเลยท่านเข้าใจอย่างนั้นมันก็จะได้ผลอย่างนั้นแหละแต่ท่านมาเรียนอย่างที่อาตมาเรียนและอาตมาก็ได้ผลอย่างนี้ดูบ้างเพราะได้ผลอย่างที่ท่านได้ผลนั้นอาตมาก็บอกไปแล้วว่าอาตมาทาเป็นทาได้เคยเป็นเคยได้โดยโง่ๆมาก่อนด้วย แล้วจนมารู้ว่าเอ้โถเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มุงันทำอย่างนี้และทำได้ด้วยแล้วก็เคยเป็นหลงว่าอย่างนั้นก่อนว่ามันจะถูกก็จนกระทั่งเข้าใจแล้วว่าเออมันไม่ถูกแท้จริงต้องมาอย่างนี้มันจึงจะถูกเพื่อตมามีทั้งสองด้านนะทั้งสองอันจึงตัดสินได้ว่าอย่างนี้น่มันถูกอย่างนี้ไม่ถูกขออัยพูดแล้วมันก็ไปข่มข้อไปจริงจริง น่ามายกว่าเราถูกว่าท่านผิดก็คนขออภัยนะ่ะทีนี้อาตมาก็อยากจะอธิบายรายละเอียดเข้าไปว่าเมื่อเข้าใจคําว่าองค์ประชุมลึกกายมันดาเนินไปต่างๆครับท่านก็ให้รู้ว่าอิริบทนี้มันก็มีใจนี่แหละเป็นตัวตั้งมโนป ร, ประฐานทั้งปวงเป็นใจกําหนดรู้ต้องอ่านที่ใจถ้าใจมีกิเลสร่วมด้วยหรือยิ่งใจขาดสันตติอย่างที่คุณประจงตัวอย่าางมอย่าง ก็ยิ่งไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันต้องต่อเนื่องอยู่ว่าเราทำกายให้เป็นอย่างนี้ให้เคลื่อนไหวอย่างงี้ให้เป็นอย่างนี้อย่างงี้ให้ไปให้มาอย่างงี้ให้เกี่ยวให้กลืนให้ปฏิบัติประพฤติแอย่างนี้อย่างี้คุณก็ต้องมีใจเข้าไปร่วมด้วยอันนั้นจึงจะเรียกว่าสติสัพชัญญะและคุณมุ่งหมายอะไรคร <g ül> s> <S ก็ให้เป็นไปตามอันนั้นมันก็มีความมุ่งหมายจนกระทั่งมันมี การเข้าไปร่วมมันมีพยาบาทเข้าไปร่วมอันนี้ตังหากที่จะต้องแยกให้ได้ oh. แล้วก็ฆ่าตัวนี้ครับส่วนคุณจะกําหนดไปอย่างโ น, น้นมาอย่างนี้ปฏิบัติประพฤติอย่างโ น, น้นปฏิบัติอย่างนี้โดยไม่มีกามไม่มีพยาบาทร่วมด้วยเลยนี่นั่นตังหากคือความจรงิง hmm. ที่คุณไม่มีสิ่งที่เป็นอักขุน รหรือว่าที่มันปีอะไรตันหาพรานอะไรที่ท่านเรียกว่าในนี้ล่นะนั่นตัางหากแล้คือเป็นจุดมุ่งหมายที่จะต้องทําให้ออกนะคือความำลำบีพลานในครับในอาศัยเคหะสิตตั์ต่างๆพวกนี้ตัาหาท่านใช้พระบารีว่าเคหสิตต์ตรสังกปาเตปะฮิปะหิยันตินะก็ต้องประหารอันนี้แอืม ประธานไอเอเคหสิตะสระสังกปาเนี่ยที่ดําริอยู่ในเรื่องของโลกโลกที่เขาไปยึดถืออยู่แล้วเราก็ไปยึดถืออย่างโลกโลกเขาเนี่ยครับรเพราะฉะนั้นการเลือกไอสิ่งที่มันเป็นโลกโลกออกก็คือตัวเหตุปัจจัยแท้ๆก็คือการกับพยาบาทซึ่งเป็นมิจฉาสังกปะนี่นะาอ่านสังกปะสระสังกปาเนี่ยอ่านสังกปะการปรุงแต่งกันอยู่ในจิตเนี่ยครับให้ออกเพราะงั้น อ่านตัวกิเลสตัวกามพกามมวิตกหรือกามมาสังกัปปะซึ่งเป็นมิจฉาสังกปะกามหรือพยาบาทจะเพิ่งไปพูดถึงวิหิงสาเอากามกับพยาบาทเป็นตัวต้นก่อนเมื่อรู้แล้วกำหนดกําจัดตัวนี้นะ่ะที่เรียกว่านำบีพ่านในเรื่องนี้ให้ออกให้ได้จนไม่มีสรุปแล้วจนมันดับมันหายไปในจิตไม่มีเมื่อทําให้ไม่มีได้นั่นแหละคือการ กำจัดสิ่งที่จะต้องทําหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธให้มันดับไปให้มันหายไปจึงเรียกนิพพานหรือนิโรธไม่ใช่ไปดับจิตไม่ให้คิดดับจิตไม่ให้รับรู้องค์ประกอบตุ้แต่งอะไรแต่ไรซึ่งมันมันเลยเถิดมันตีกลุ่มมันแข็งไม่หมดเหมือนอย่างที่อาจารย์บุรพาบอกทุกอย่างเนี่ยกระบวนการทุกอย่างมันเป็นการทําทออธรรมเนี่ยทำงานมาเป็นงานมันเป็นสังฆปะสังฆปะ ของพระอรหันต์เนี่ยเป็นสังกัปปะที่ที่ไม่มีกิเลสมาเข้ามาแล้วถูกไหมครับต้องตัดตรงนี้ออกไปใช่ให้ได้ใช่เป็นกรร ม, มัญญตาครตานี่ว่าเป็นกรร ม, มัญญตาเพราะฉะนั้นเมื่อองค์ประชุมของกรร ม, มัญจาเรียกว่ากายกรร ม, มัญญตาครับก็คือองค์ประชุมของทั้งรูปและนามข้างนอกและข้างในเนี่ยเมื่อมีจิตถึงขั้นกรรมมัญญตาก็คือเป็นจิตที่ได้กดระทํามีบทบาททําอยู่ อย่างมีอัญญายัางมีอัตตะที่เป็นอัญญากรรมญตตาเป็นอัญญากรรมญญตาเป็นความเป็นอัญญาอัญญานี่คือธาตุรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกตัดเรียกอุทานว่าอัญญากโกฏัญญาโกฏัญญะเริ่มรู้แล้วเนี่ยนี่อันเนี้ยนะอัญญาเนี่ยนี่แหละตัวนี้เริ่มเป็นตัวรู้ที่ที่ไปทางโล ก, กุตตระของพุทธเจ้าเลยครับ เริ่มรู้นิดนึงก็เริ่มเหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทักอัญญาสิวัต โ, โกโคทัญโยเนี่ยครับนั่นแหละมันเป็นจิตตัวทาตรู้ที่วิเศษเป็นทารู้ที่วิเศษที่เป็นยอดปัญญาที่เข้าใจโลกุตระเริ่มตน้นหรือมากขึ้นมากขึ้นถึงกรรมบัญญาก็คือสามารถที่จะรู้จักการกระทําทุกอย่างแล้วก็เป็นจิตปัญญาตัวนี้เนี่ยมันตัวได้ผลของโลกุตระเนี่ยไปเรื่อย มัเริ่มต้นตั้งแต่กายในกายโรกุตระตัวแรกซึ่งเป็นโลกุตระสาสิบเจ็ดในโพธิปักเจตธรรมให้พิจารณาให้เกิดอัญญาตรงนี้ขึ้นไปเพราะเรื่องที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยมันจะมันเป็นเรื่องที่แม้แต่ผู้เรียนอภิธรรมนี่ก็พึงตั้งใจศึกษาดีๆถ้าไม่เะนั้นแล้ว ไม่เข้าใจเรื่องกายคตาและก็ไม่มีสติแยกกายคตาออกจากอาณาปานะไม่ใช่อย่างที่ยืนยันแล้วในกายคตาสติสูงเขเริ่มต้นท่านก็บอกแม้แต่อย่างนี้เสด็จแล้วก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างจะต้องนั่นแหละพิจารณาให้ได้อาณาปานะสติ16อย่างนั่นแหละเพราะคําว่ากายนี่แทนที่จะเหลือแต่ลมหายใจ ไม่ใช่มันจะต้องรวมไปหมดเลยทั้งดินน้าไฟลมที่จะสัมผัสรวมปรุงแต่งกันอยู่ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็เรียนรู้หกรตั้งภาษาทรูปโคจรรูปรสัมผัสกันเมื่อกี้อาตมาอธิบายรูปรูป28สี่รูปข้างนอก ค, คือดินน้มไฟลมนั้นตัดไปว่าเป็นวัตถุข้างนอก เป็นรูป ร, รูปโดยตรงพอเราไปเกี่ยวข้องเข้าก็เป็นรูปประกาย<น>องค์ประชุมของรูปกับกับาาองค์ประชุมของนามนที่เราจะต้องมีประสาทกับมีการที่จะเข้าไปดําเนินร่วมกันเรียกว่าโครจรารูปหรือวิสั ย, สยรูปเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสกันขึ้นพอสัมผัสกันขึ้นก็เกิดปรากฏเรียกว่าภาวะครับปรากฏขึ้นที่จิตวิญ ญ, ญาณอืเป็นภาวะรูปครับอ พินภาว่ารูปที่เกิดขึ้นนี่แหละคือาธาตุรู้หรือวิ ญ, ญญาณที่มันเกิดตัวสภาพจิตใจหรือวิญ ญ, ญาณหรือาธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วที่เกิดจากการสัมผัสเกี่ยวข้องกับองค์ประชุมของภาษาธรูปกับโคจรรูปจึงเรียกว่าผัสสะสามต้องมีตากระทบรูปต้องมีหู<า>กระทบเสียงต้องมีจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสทั้งหมดเลยที่ท่านอธิบายในปฏิจสมบาทนั้น ว่าจะต้องมีภาษาสามนี่แล้วก็จะเกิดวิญญาณให้เรียนและวิญญาณก็มีเจตสิกสาคือเวทนาสัญญาสังขารนี่คือหมวดเจตสิกสาของความเป็นกายหมวดเจตสิกสามของความเป็นกายเพราะฉะกายมันไม่ได้หมายถึงรูปโดยซ้ำไปคมันหมายถึงลึกเข้าไปคือเจตสิกสาม บวกองประชุมของเวทนาสัญญาสังคารครับ <c oughs> คือทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับพ่อครูครับผมยกหบวกหนึ่งในขณะที่มนุษย์ปกติเนี่ยครบ32ประการเนี่ยมันย่อมมี5ถูกไหมครับระบบการรับเนี่ย5คือเพราะฉะนั้นปกติมนุษย์เนี่ยเราอยู่สภาพปกติเราลืมตาแนละ้วอยู่ปกติเนี่ยระบบ การทำงานของอายตนะเนี่ยมันทำงานตามปกติอยู่แล้วทั้งห้าถูกไหมครับแต่การถ้าสัมผัสขึ้นนี่จะมีอายตนะอยู่ดีๆอายตนะไม่เกิดถ้าเกิดต้องมีผัสสะแล้วก็เกิดในขณะมีผัสสะเลิกผัสสะไปแล้วอายตนะก็หายไปไม่ตั้งอยู่ณที่ใดทีนี้นี่พรเจ้าก็ตรัสไว้ชัดอ ย, อย่างขณะนี้ครับพบครูครับผมนั่ง ผมนั่งอยู่ด้วยนั่งของแข็งพาดแข็งลมก็พัดผิวหายใจก็หายใจใช่ไหมครับอมอมในปากก็รู้อมอยู่มีเสียงที่เข้าอยู่ภายในเนี่ยแต่กระบวนการตรงเนี้ยแต่เวลาส่งผ่านเนี่ยมันจะถูกส่งมาแค่ทีละทีละอย่างเพื่อที่จะเข้ามาหนึ่งก็คือใจภายในถูกไหมครับมันเข้ามาทีละ1นึ่ทีเข้าละหนึ่งเว่าที่เราจะพูดเพราะว่ามันเร็วมันเร็วถูกไหมครับ เพราะนั้นไอกระบวนการความต่อเนื่องนี่แหละมันจะมาเพื่อที่พ่อครูอธิบายคือมันจะมาทีละหนึ่งเพื่อที่เข้าภายในคือเข้าตรงใจเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรับเป็นการส่งทอดกายส่งเข้ามาตรงความต่อเนื่องอ ผมผมต้องการอธิบายเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปธรรมให้หลายคนเข้าใจว่ามันเป็นต่อเนื่องอยังไงเพราะว่ามัน5้าสุดท้ายมาส่งข้างในใจอีกหนึ่ง<ช>ทีนี้เวลาส่งรับภายในตัวรับภายในเนี่ยมันจะรับทีละอย่างละอย่างของของข้างนอกถูก<ช>ไหมครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นจึงจะทําให้เกิดกระบวนการรับทีทละระบบของการรับ<ช>มันจะต้องมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้น ผมขับรถอยู่เนี่ยไอ้ที่มันละเมออยู่เนี่ยทั้งๆ้งที่มันยังขับรถถูกไหมครับพระครูขาดกายก็ขาดกายที่จะต่อเนื่องคุณไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องแล้วใช่ไหมครับตรงนี้จะได้เป็นเป็นการย้อนมาอธิบายที่ผมยกตั้งแต่เริ่มต้นที่พระครูอธิบายหมดมันต้องเกิดความต่อเนื่องและกระบวนการเหตุการต้องเกิดขาดตอนนั้นกายของคุณไม่มีนะไม่มีคุณมีใจใจของคุณจะไปอยู่กับอะไรของคุณไม่รู้ขับรถไปนี่เป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณเป็นอินิ้ อ่าตัวสัจจายานตัวในเป็นตัวกําหนดมันใช่สัญญากําหนดไปสัญญาไปเรื่อยอ่าไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วคุณไปอยู่กับไอตัวที่ไปปรุงแต่งคิดไปปูแต่งคิดที่มันลูกนาวทำไม่ได้อยู่กับข้ลูปประทมนี่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้จึงไม่มีถ้าจะบอกว่ากายนี่คือข้างนอกกายของคุณไม่มีเลยอืมเพราะไม่มีการเกิดรับไม่มีรีเซพเตอร์ไม่มีตัวรับกายภายนอกเพื่อส่งไปตัวรีเซพเตอร์ตัวรับภายใน นะครับมันก็จะยากนะทีนี้อัตมาเจตนาจะอธิบายไม่เจตนาจะอธิบายไอ้ทิพูนี่เลยมันยาก <c oughs> เจตนาอธิบายว่ากายขตตาสติอานาปานสติกับสติปทานสี่เนี่ยมันจะต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลาอ้อเราไม่ได้พูดตอนต้นว่ารายการนี้เนี่ยตอนท้ายเราจะใหร้รับประเด็นถามอะไรได้ด้วย <c oughs> พูดอะไรใช่ไหม <c oughs> ก็ไหลมาเยอะเลยครับพ่อก <d ry ce> ูอ่าลับประเด็นเด็นท <three> ี่จะส่งมาทางโทรศัพท์เบอร์เดียววันนี้เบอร์เดียว085 1790 297ครับ085 1790 297พูดอีกที่พออีกที่085 17 90297นะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาครับนะก็อัตมาขอสรุปก่อนหน่อยนึงว่าไอ้ที่คนปฏิบัติธรรมที่มันไม่ไม่ไม่ทะลุขอใช้คำว่าไม่ทะลุเลยไม่เป็นปฏิเวทมันไม่เป็นปฏิเวททำมันไม่รอบทวนเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดผลที่แท้จริง ก็เพราะว่ากายคตาสติก็ดีอาณาปานาสติก็ดีสามอย่างกับสติปฐานสีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอไปแยกกันเสียกายคตาสติก็ไปเอาแต่เรื่องพฤติกรรมภายนอกครับตัดอาการพฤติกรรมภายในที่ต่อเนื่อง ก, กับกรรมกริยาหรือสัมผัสภายนอกนี่แหละ ก็ต้องพิจารณานั่นเป็นอาณาปานสติและในปานสตินั่นก็คืออาร อ, าอาธิบายผล hmm. ผลว่าเราจะต้องรู้จากคือเรียกว่าหนึ่งกายสังขารปฏิสังเวทีจะต้องรู้องค์ประชุมที่ปรุงแต่งกันอยู่ปฏิสังเวทีต้องกำหนดรู้ให้ทวนรอบอันนี้แล้วท่านก็อธิบายไว้ในอาณาปานสติแต่เพียงว่า แล้วก็ทําให้มันระ ง, งับปัดซ้ำพยังกายจะสั้างค่ารังอทําให้มันระ ง, งับก็คือที่พูดที่บอกว่าจิตจะต้องละตันหาอะไรจะต้องละความเดือดพลาดอะไรนั่นแหละเมื <S <S ่อนั้นล้างความพลานที่มันเกิดจากตันหาลงไปได้มันก็จะระ ง, งับปัดซ้ำพยังจิตตัง้งแล้วก็จะเกิดปิติเกิดอะไรไปบ้างในตช่วงแรกของกาย ของอาณาปานาสติแล้วก็ไปเหลือจิตสังขารทีนี้อ่าภายนอกมันเป็นกายจะปัตสัมภยังกระทบภายนอกอยู่เรียกว่าองค์ประชุมนอกแล้วก็ไปพิจารณาตัวเนื้อในกายในแล้วก็รู้กิเลสแล้วก็กาจัดกิเลสได้ก็ปัตสัมภยังมันก็จะเกิดไปตามองค์ธรรมของฌานมีปิติมีสุขอะไรไป ก็ไปพิจารณาที่จิตจิตสังขารเรียกว่าองค์ประชุมันนั้นมาเข้ามาหาเป็นนามกายที่เป็นจิตสังขารแหละเพราะพิธีจิตสังขารเราก็รู้จิตสังขารในครบปฏิสังเวทีและก็ปฏสัมพยังจิตสร้างข้ารังอีดแหละก็ลดลงไปจนกระทั่งหมดเปิดรู้จากอาณาปานสติเลยก็ได้นะข้อปลายๆในท่านบอกไว้ชัด อ่าอ่ า, า, าแม่อัตมาก็ไม่ได้เตรียมไว้อ่าทั้งกายและจิตระงับวิโมจะยังจิตตังเปื่องปล่อย แมเอาไว้เอาไว้วันหลังค่อยๆ อ, อธิบายไอ้ตรง16อันนี้ชัดๆกันแล้วกั น, นวันนี้ก็ไอ้ที่จะระ ง, งับได้ต่างๆเหล่านั้นก็เกิดจากการสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือการพิจารณากายในกายและพิจารณาเวทนาในเวทนา กายในกายนี้มีกายเยอะเลยในพยัญชนะของบาลี mm hmm. กายสังขารตั้งแต่กายสังขารเนี่ยมันก็จะ ก, กายมันจะมีกายกะลิเรียก <Yeah. S 2> ว่ากิเลสตัวที่เป็นโทษองประชุมที่เป็นตัวโทษกายกายกะลิหรือกะลีกาลีนี่แหละ mm hmm. ตัวโทษนี่แหละเมื่อจับตัวโทษนี้ได้แล้วมันจะเป็นอารมณ์อาการอะไรเยอะแย ะ, ยะจนกระทั่งทำให้กายนี้จเจริญได้ ดีขึ้นพัฒนาขึ้ น, นหมายความว่าทำให้ตัวเหตุปัจจัยมันลดลงเหตุปัจจัยมันระร ง, งับลงปัจซัมพยังนั่นแหละมันระงับลงไปความรำไรความเดือดพลาดนี่ก็ลดความรำไรพราดนลงได้ก็เป็นผลสูงขึ้นสูงขึ้นนะน ะ, นะจนกระทั่งมันแล้วค่อยๆเบาบางลงไปกลายรแล้วหูตามัง้ง จนมันเข้าเป็นกายแล้วก็มีการจัดการองค์ประชุมองค์ผสมเนี่ยโดยมีเวทนาสัญญาสังขารทำให้มีมันตันยุตาปฏิบัติส่วนให้มันได้ดีมันก็ไปทำการปรุงแต่งเป็นกายที่ได้ความพอเหมาะพอดีเรียกว่าในขณะปฏิบัตินิทเรียกว่ากาม ก, กายาเรียกว่ากรรมนิยะ อพอเวลาได้ดีแล้วท่านก็เรียกว่ากรรมมัญตาซึ่งก็เป็นองค์ประชุมเรียกว่ากายกรรมมัญตาเป็นตน้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ละเอียดละออมมากคำพีราทุตสาทุรนุโพธาจริงๆนะเพราะงั้นผู้ทีป่ปฏิบัติไม่เข้าร่องเขารอยอย่างที่ว่านี้เนี่ยไปสะกดจิตไปตัดทิง้งเป็นตน้นตัดทิง้งหรือมันไม่ต่อเนื่อง ตัดสัน ต, ติอันควรที่จะต้องต่อไปพิจารณาต่อเช่นกายในกายต้องต่อมหาเวทนาในเวทนาแล้วต้องตอไปหาจิตในจิตแล้วจากจิงจะเป็นธรรมในธรรม ม, มันไม่ได้ทำต่อเนื่องมาอย่างนี้เช่นองค์ประชุมของกายก็ตากระทบรูปแล้วเกิดภาวะที่ประชุมกันขึ้นมาเป็นกายยสังขา ร, รในกายยสังขารมีกิเลสผสมใช่คณก็ฆ่ากิเลสประสา กิเลสนั้นนั่นแหละมันก่อให้เกิดเวทนากิเลสนั้นนั่นแหละมันเกิดอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขเมื่อรู้ว่าเหตุมันนี่ตัวนี้ถ้ารู้เหตุแล้วยังไม่ให้มันไปปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรสเป็นโลกิยรสไม่ให้ปรุงแต่งเรขฆ่ามันก่อนเมื่อฆ่ามันได้เมื่อฆ่ามันไอตัวนี้ฆ่าได้ก็ไอตัวที่มันเป็นเหตุตัวใหญ่นี่คือจิต คือราคบมูลหรือโทสะมูลครับอ่าคือตัวเหตุที่เป็นตัวกามวิตกหรือการมสังกปะหรือว่าพยาบาทสังกปะนี่แหละเป็นตัวที่มิจฉาสังกปะเนี่ยที่จะเข้าไปปรุงแต่งอยู่ในความนึกคิดเนี่ยกำจัดตัวนี้ได้ก็คือกําจัดอกุโสลจิตจิตในจิตอารมณ์ก็ดีขึ้นเวทนาก็จะเบาบางจากอารมณ์โลกีครับเวทนาก็จะ กลายเป็นจนสุดท้ายเป็นอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นเนคขมศสิตาอุเบกขาพอระงับเคหะสิตาอุเบกขาที่เป็นความพลานเป็นกิเลสพลานนั่นน่ะที่ท่านตรัสไว้เนี่ยระงับอันนี้ได้ทำลายอันนี้ได้เสียได้มันจึงกลายเป็นความกลางหรือวางเฉยที่เป็นเนคขมศสิตาอุเบกขาก็ต้องพิจารณาเวทนาในเวทนาถึงร้อยแ โดยเฉพาะเวทนา18ได้ว่ามาโนปริจารนตัวหลักที่ต้องวิตกวิจารตัวนี้แหละมโนปริจารสิบแเนี่ยวิจาระ18เเทหสิตา18บแปจนกระ ท, ทั่งทำให้มันเป็นเนคข ม, มะสิตา18ได้จนถึงขั้นอุเบกขาเนคข ม, มะได้บริบูรณ์นี่คือต้องเรียนรู้เวทนาในเวทนาร0 8แนี่เป็นสำคัญคถ้ารู้อารมณ์พวกนี้ไม่ชัด จับตัวเหตุได้แล้วก็กำจัดมันก็จะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์เข้าไปสู่การเจริญกันในเรื่อยๆจากใน่ฆมาสิตะทุกมันก็มาเป็นสุขสุขแล้วก็ลดทุกทุกแลก็สุขทุกสุสสสสอุเบกขาจนฐานอุเบกขานี่แหละเป็นตัวฐานนิพพานฐานนิโร <c oughs> ในคฆมาสิตะอุเบกขานี้เป็นฐานนิโรธ <c oughs> เห็นอยู่รู้อยู่ไม่ใช่ไม่ทํางานไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ว่าไปไม่จัดการนี่คืออภิสังขารเรียกว่าทําการปุญญาอภิสังขารปุญญาอภิสังขารคือการปรุงแต่งอะไรไงปรุงแต่งจัดการจัดการกับการชําระปุญญาจัดการชําระเมื่อชําระได้เรื่อย ๆ, ๆจนมันไม่มีก็เรียกว่าอภปุญญาอภิสังขารสิ้นสุดแล้วไม่ต้องชําระแล้วสิ้นสุดได้ก็เหลือแต่ อนุรักษณาประทานหรื อ, อรักษาผลเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารไปให้ความไม่หวั่นไหวนะั้นแข็งแรงตั้งมั่นเป็นนิจังตุวังสรสะตังด้วยกาละทั้งสามทำอีกซ้ำอีกเป็นอาเซวนาภาวนาพระหุรีกำมังให้อดีตส่วนอดีตกับส่วนอนาคตศูนย์อย่างเที่ยงแท้ทุกปัจจุบัน ป, ปัจจุบันก็ศู์ อดีตก็ศูนย์อนาคตก็ศูนย์ูนย์ย์ย์จนเหลือแต่ส่วนอดีตกับอนาคตเป็นอวิชาข้อที่เจ็ดแม่ตมาก็เอาหลักฐานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไปทั้งหมดนี่มาร้อยเรียงเป็นมาลายอธิบายยากแสนยากดูเหลือดูนาฬิกาผ่านไปแล้วที่จริงเมื่อกี้นี้คอสชว่าไป ยีสิบนาทีนะยีนาทีพอดียีบกว่าครับเอาละต็ยี่สิบก็ได้ยี่สิบตอนนี้นี่เก้าจะทุ่มสาสิบละครับก็มีกัล้เต็มสิแล้วก็เลยอีกห้าสิบนาทีเหลือีกห้าสิบนาทีครับเอาละคถามเลยไหมครับเอาถามเลยดีกว่าครับมาเอาเระบอกอีกทีหนึ่งบอกเบอร์สำหรับผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาในตอนนี้เป็นช่วงที่จะตอบประเด็นละเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งเข้ามาได้คือศูนย์ 8 5 1ห9 0หนึ่งเจ็ดนสองเจ็ดเห้าหนึ่งเจสองเจ้ามีผู้ถามมานะครั บ, รบว่าจากการที่ได้ศึกษากายกายัายตสติสูตรนะครับก็อยากกระถามว่าสิ่งที่ศึกษามันเนี้ยเข้าใจถูกไหมครับว่า การละความดำริผ่านที่อาศัยเลือนเสียได้เนี่ยครับเคหสิตะเนี่ยนะครับจิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นที่คงที่ที่แน่นิ่งนะครับอขอถามว่าในยะนี้แน่นิ่งภายในและคงที่ภายในเฉพาะภายในเท่านั้นแต่ภายนอกไม่ต้องทําให้แน่นิ่งใ ช, ใช่หรือไม่เคลื่อนไหวอยู่ได้เป็นปกติครับดีไม่ดีเร็วขึ้นด้วย ค, คล่องแคล่วขึ้นด้วยอืม ดีไม่ดีคล่องแคล่วขึ้นด้วยครับเพราะมันไม่ไม่มีอะไรที่มาต้านทานไม่มีกิเลสส่งเสริมไม่มีกิเลสจะต้องกังวลภายนอกไม่ต้องนิ่งใช่ไหมครับไม่นิ่งอไม่นิ่งภายนอกไม่นิ่งครับเฉพาะภายในเท่านั้นเป็นความลึกซึ้งมากที่ดีที่เขาแปลมาครบนะนี่ก็แปลมาครบนี่มันดีก็เพราะว่า ที่พระครูอธิบายอ่ะเหมือนต้องเลาะเอากิเลสออกหมดอ่ะใช่ไอ้ก่อนเลาะไอ้กิเลสมันก็คือต้องเลาะภายในไม่เลาะภายนอกมันไม่ได้เกี่ยวภายนอกเพราะมันกระโดดปุ๊บตอนภายนอกให้รู้ทันก็กิริยาภายนอกคืออะไรอะไรมันก็หมุนเปลี่ยนไปไปอนิจจังมันอนิจจามันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นไตรลักษณ์แต่คุณทํากิเลสนี่ของคุณออกออกออกออกเพราะแต่ก่อนนี่กิเลสของคุณก็ไม่เที่ยงรอดวันเดียวคุณก็มีวันเดียวคุณก็ไม่มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ล้างกิเลสนี่ออกให้หมดและเอกคําว่าเที่ยงเนี่มาแทนที่ใช่ไหมไอ้เที่ยงนี่คือตัวกิเลสมันไม่มีอีกแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วนี่เที่ยงคมไม่ได้หมายคำว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายแหล่นี่สามัญลักษณ์ทั้งหลายแลน่ น, ลลแลนี่คือเที่ยงไม่ใช่อันนี้เป็นปัจจัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวคือกิเลสของเราเที่ยงมันออกข้อไปไม่ใช่กิเลสเอากิเลสออกเที่ยง ก <trabajo. S 1> ิเลสมันไม่เกิดอีกแล้วมันไม่มีอีกแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนนีจังทู่วังสัสตังอวิปปิณามัธมังสังนิลังสังกุปังแล้วครับอย่างนี้ต่างาครับมีจากคุณ3506ครับอรหัน์มิจฉาตายไปจะรู้ตัวไหมว่าวิญญาณยังคงอัตภาพอยู่เพราะเข้าใจว่าเป็นอรหันตายแล้วต้องศูนย์หรือเกิดได้ร่างมนุษย์จระลึกรู้ตัวใหมครับไม่รู้หรอก เป็นๆ น, นี่เคยยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วตายไปมีไม่รู้ความจริงนี่ถูกต้องอะไรครับจากเชียงรายครับความจําเก่าเรื่องธรรมะของพ่อท่านแต่ปางก่อนจะถือว่าเป็นนามกายหรือสัญญาได้หรือไม่อ๋อสัญญาสิเป็นสัญญาถูกไหมครับเป็นนามกายแล้วการที่พ่อท่านมาศึกษาธรรมะในพัตไตปิฎกปัจจุบันถือว่าเป็นนามกายหรือแล้วที่ท่านกาลังอ่านหนังสือให้ฟังถือว่า เป็นรูปกายหรือก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่เรียกว่ารูปนามกายก็คือตัวนามที่ความระลึกรู้มันเป็นความรู้ตัวธาตรู้ของจิตเรียกว่าน้บมันองค์ประชุมของนามถ้ามันยังมีองค์ประชุมเราเรียกว่ากายไม่ว่าจะองค์ประชุมเข้ามันมีรูปด้วยก็เรียกว่ารูปครับถ้ามันไม่มีรูปที่หมายถึงข้างนอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปลดกินเสียงสัมผัสพวกนี้มันมันเป็นรูป ข้างนอกรูป ร, รูปถ้าเราร่วมกันนี้เรียกว่ารูปรกายแต่เราไม่ร่วมไปกําหนดเอาแต่ภายในเป็นนามไม่เกี่ยวกับตามไม่เกี่ยวกับรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วแต่นามเราก็ไปอ่านอาการของทางนามอาการของทางนามมันก็จะต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นหลักแล้วก็มีกิเลสนะกิเลสต่างๆนานาที่มันจะเป็นเหตุให้สุขให้ทุกข์ ก็เปเ ป, เป็นอาการของกิเลสอีกใช่เจนกิเลสกามกิเลสพยาบาทเมืองโหรยางก็กำจัดกิเลสพวกนั้นเข้าไปทีนี้ต่อมาถามอีกครับวิญญาณที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่เรารับเข้ามาเป็นวิญญาณตัวเดียวกันหรือแยกเป็นแต่ละตัววิญญาณอะไร เขาบอกว่าวิญญาณที่เกิดจากผัสสะที่เรารับเข้ามาเป็นวิญญาณตัวเดียวกันหรือแยกเป็นแต่ละตัวผมคิดว่าอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเข้าใจว่าแการการเกิดองค์สามภายนอกเนี่ยครับใช่ไหมครับจนจนเกิดรับขึ้นมาเนี่ยพอมาถึงชั้นใจเนี่ยมันยังเป็นวิญญาณตัวเดิมไหมที่ใจเป็นตัวรับในกระบวนการเกิดก็ทันทีมันก็เป็นวัญญาณตัวนั้นเป็นวิญญาณตัวเดิมครับเป็นอาการตัวนั้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงอ่า มันก็ไม่เที่ยงแต่คนก็จะพยายามให้มันเที่ยงเช่นมันจะต้องเป็นพอว่ากำหนดมาแล้วคุณชอบก็อยากให้มันชอบมันชื่นใจอยากให้มันชื่นใจแต่มันพอวันมันไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็เอ้าก็เร่งมันใหม่ก็เท่านั้นเองซึ่งมันไม่ไม่ไม่อยู่คงที่อย่างนั้นตลอดไปหรอกจากกำแพงเพชรครับไปเรียนนวดแผนไทยต้องบูชาพ่อปู่ ชีวากากุมารความเชื่อหรือการปฏิบัติต่อพ่อปู่ชีวากากุมารมีมในพระพุทธศาสนาหรือไม่และจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาการบูชาพ่อครูคำว่าบูชานั้นพิธีกรรมในการบูชาสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกการบูชาครูหมายความว่าการแสดงออกถึงการเคารพ การแสดงออกถึงการเคารพทุกวันนี้มันปรุงแต่งกันจนกระทั่งมันมีพิธีกรรมมีวัตถุมีดอกไม้มีทูบเทียนมีอะไรต่ออะไรอยาว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยยุคของพระพุทธเจ้าก็มีในาศาสนาอื่นเขาบูชากันดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่งตางๆ น, นานาโดยวัตถุประกอบมีฐานนั้นฐานนี้มีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นพิธีการครัเยอะสมัยนู้นก็มีแต่พพุทธเจ้าท่านตัดทิ้งหมดไม่มีในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นถามว่า บูชาครูชีวก ะ, ะชิวกะโ ก, กมารพัฒน์นี่ตามที่เป็นอาจารย์ทางด้านหมอเนี่ยจะเป็นบูชาครูอย่างงี้ด้วยพิธีการอย่างนั้นไม่มีที่มาพูดนี่ไม่มีหรอกจะต้องบูชาอะไรด้วยพิธีการอะไรมันไม่มีครับน น, นก็ไม่มีขอยืนยันได้ว่าไม่มีเพราะว่าชีวกะโกมารพัฒน์ก็ไม่ใช่เป็นคนศาสนาอื่นและอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วย ไม่ทําไม่มีแต่พวกคู่วันนี้มันมาเป็นอันนี้แล้วมันมีอันนี้แล้วได้โยงไปว่ายุคหนอเขาจะต้องมีเหมือนกับมาทำทุกวันนี้รถน้ํำมูกน้ําบนต้องอะไรต่างๆนานาสารพัดมีเดริฉานวิชาต่างๆมีทุกวันนี้ก็นึกว่ามีอยู่แุคยุคพระพุทธเจ้าไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกอ่าพระในยุคพระเจ้าภิกษุของพระเจ้าเนี่ยรวมตัวกันออกไปสวดมนต์ แล้วก็ไปสวดมนต์อยู่ข้างนอกนะไม่ใช่มาสวดมนต์เพื่อท่องจำเพื่อสังคีติหรือสังขารนาการโดยเฉพาะในส่วนมณท่านธรรมออกไปสวดมนต์ให้คารวาสท่านตรัสไว้ในวินยัยด้วยซ้าไปนะว่าไปสวดตั้งแต่สองรูปขึ้นไปพร้อมกันก็เหมือนอย่างส่วนนี้มันจะสองรูปจะนี่จะเอามาเป็นพันเป็นหมืน่นมาสวดด้วยพร้อมกันเนี่ยแล้วให้อนุสมปันหรือให้คนข้างนอกก็ได้ฟังเนี่ยอาบัต ทำไม่ได้ท่านออกวินัยไว้ถึงขนาดนั้นกำหนดวินัยไว้ถึงขนาดนั้นสมัยพระเจ้าจึงไม่มีครับแต่สมัยนี้มีหมดแล้วก็ว่านี่แหละจะต้องไปสวดมนต์ตั้งๆ ท, ท, ที่อาบัติด้วยซ้ําแล้วก็ทํากันเป็นเรื่องเฉยเลยครับแล้วถือว่าเนี่ยพระต้องทําได้ถ้าพระทําไม่ได้ไม่จะพุทธเ้่าตายเลยถ้าพระสวดมนต์อย่างนี้ไม่เป็นนะ น, นี่สวด เจ็ดตำนานสิบสองตำนานไม่ได้เนี่ยไม่ใช่พุทธนะเออไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระครับไปโน่นเลยเอสวดได้สวดสวดจำได้ได้แต่ว่าจะเอาไปสวดตั้งแต่สองคนพร้อมกันขึ้นไปให้ไอ้คารวาะเขาฟังให้เด็กคารวะเขาไปไปสวดอย่างนั้นคือเหตุปัจจัยองค์ตั้งก็คือว่าในาศาสนาอื่นเขามีอไปสวดมนต์แบบนี้เขามีหากินด้วยครับ และก็พาให้เป็นเรื่องไปหลงเป็นเทวนิยมเป็นอะไร อ, อะไรไปเขาก็ไปกันอย่างแบบเทวนิยมครัังอย่า ง, งนั้นโอ้ยอย่าเป็นพลังส่งเสริมจะช่วยให้อย่างงน้นช่วยช่วอย่างนี้ก็ไปส่วนกันเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจอย่างนั้นอ่ะและก็เอามาทํากันเนี่ยดีไม่ดีเป็นเรื่องขลังใหญ่เลยสวดมงต์สวดพรเนี่ยถ้าสวดรักษาไว้ในวสังคีติสวดตรวจสอบกันในวสังคยนาก็สวดอยู่ในเฉพาะหมู่บํานาถลพิภิกษุก็ทําไป ไม่จะไปไปตรวจกันของนอกให้คารวะเขาวุ่นวายเพราะยังไม่เข้าใจวินัยข้อนี้อัตมาเอามาพูดีกขออภัยนะไม่ได้มาพูดคมแต่พูดไม่อย่างให้คุณผิดวินัยกันมันอบัตอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ไม่สะอาดสิก็ไม่รู้ลว่ามันจะผิดแล้วก็ไม่ได้ปรองอบัติกันก็เป็นพระไม่สะอาดอยู่อย่างนั้นนะสุดไม่ได้ก็ไม่ใช่พระ <ย>พราะ <ยก S 2> งั้นมันก็เลยเฉพาะนัะว่ายากนะมันยากมันมันละเอียดบางทีบางสิ่งบางอย่างก็พูดไปแล้วมันก็โอ้อจากบุรีลำครับ อ, อ, อกายค ต, ตาสติกับวจีสังขารอันไหนจะเกิดก่อนกันกายคตาสติกับวจีสังขารอันไหนจะเกิดก่อนกันนลยโอ้โหถามยิ่งกว่ากับวิสาขามาวิสาขอาอุบาศกเลยนะเนี่ยวิสาขา อ, อุบาสกนี่ไปถาม มิสุขาอุบาสกไปถาม ท, ท่านภิกษุภิกษุณีธรมธรมนันทาไม่ใช่ใช่ไหมธรรมทินนาธรรมทินนาธรรมนันทานลูกอยู่อาจารย์จัสมานนี่คือท่านธรรมทินนาภิกษุณีไปถามว่าเวลาเข้านิโรธโอไม่ใช่ นะเมื่อเวลาสู่นี้โลดเข้านี้โลดแล้วเป็นการดับนะกิเลสดับนั่นเองและทายว่าถามว่าร่างกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขานี่อะไรดับก่อนนะนี่ก็ถามถึ ง, ถงการดับเมื่อกี้นี้ถามว่าอะไรดับดอนกายขตาสติกับวจีสังขารอันไหนเกิดก่อน ว จ, จิสังขารกับกายขตาสติตอนนี้น เ, เกิดก่อนตอนนี้เกิดก่อนมันไขว้แล้วตอนนี้มันเอากายคตาสติ <c oughs> สตมาะสม <c oughs> <ช>กับว จ, จีสังขาร <c oughs> อะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล่ไปกายคตาสติกับว จ, จีสังขารน่นที่มาถามอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนนะอาตมาก็จะต้องอธิบายดับเสีก่อ น, นสังขาร น, นะเมื่อกี้นี่พูดวิจีสังขารอัน น, านี้ต้องอธิบายจากกายสังขาร จิตสังขารวจีสังขารก่อนกายสังขานี่คือองค์ประชุมทั้งหมดเลยมันปรุงแต่งกันรวมหมดเลยอืข้างนอกอยู่ในคมครอบอยู่เพราะกายสังขา น, นี่มันเป็นตัวกลางครับมันเป็น ล, ลมถึงนอกและในครับส่วนจิตกับวจีเนี่ยมันนอกและในไขว้กันอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันปรุงแต่งเวลาเขาดับกิเลสเนี่ยผู้ที่ดับกิเลสจะต้องมีปัญญารู้จัก องประชุมของสังกปปะเจตต้องรู้เวทนาต้องรู้องค์ประชุมของสังกปะเจตต้องรู้อารมณ์จิตทั้งเวทนาทั้งหลายแหลเลยละเอียดจนถึงมโนปวิจารณ์เนี่ยจนดับกิเลสได้เมื่อดับกิเลสได้แล้วจึงจะเป็นวจีสังขารเพราะฉะนั้นวจีสังขารจะผ่านกระบวนการตั้งแต่ตักกะวิตกัสังกปะ แล้วไปผ่านกระบวนการอัปปนาพยาปนาเจตสโสวิโนปนาไปเป็นวิจิสังขาราเป็นตัวปลายแล้วดับก็คือผ่านอันนี้สำเร็จหมดเลยถือว่าดับสำเร็จวิจิสังขารจึงต้องจัดการกับวิจิสังขารก่อนเพราะฉะนั้นนิโรธเนี่ยสมาบัตินิโรธเนี่ยจึงต้องดับวิจิสังขารก่อนแล้วก็ถึงองค์รวมทั้งหมดแล้วจิตสังขารถึงจัดการมโนปุพัง จะออกไปเป็นวันจีกรรมจะออกไปเป็นกรรมมันตะจะออกไปเป็นอาชีวะข้างนอกเป็นกรรมจิตเป็นตัวจัดการหมดมโนปุพังคมาธรรมาเป็นตัวจัดการหมดทีนี้เกิดพอดับแล้วเสร็จจะออกจากนิโรธอย่างที่อุบาสกวิสาขาถามท่านธรรมทินนาภิกษุณีเนี่ยออกจากนิโรธอะไรเกิดก่อนตอนนี้เกิดแล้วเมื่อกี้นี้นิโรธอะไรดับก่อนครับ ตอนนี้ออกจากนิโรธอะไรเกิดอะไรเกิดนก็ต้องเมื่อจิตเป็นตัวที่จะเป็นทำงานจิตมันก็จะต้องทำหน้าที่มโนปุปพังกามาธมาจิตจึงเกิดก่อนปรุงแต่งจิตก่อนแล้วก็มารวมเป็นกายสังขารแล้ววจีสังขารจึงจะเกิดิดอันนี้คือการดับการเกิดของสังขารทั้งหลายครับถ้าเข้าใจอันนี้แล้ว เมื่อถามอันนี้บอกว่ากายคตาสติกับวจีสังขารอะไรเกิดก่อนใช่ไหมถามเกิดไม่ได้ถามดับอะไรเกิดก่อนกายคตาสติน่าจะต้องปฏิบัติองรวมไปทั้งหมดเลยไปจนถึงอาณาปานสติเมื่อทาอาณาปานสติได้นั่นแหละคือการทำทัากระปะเจ็ม ใช่หมเพราะฉะนั้นกายคตาสติของคุณเนี่ยจะเรียกว่าเกิดคุณจะต้องปฏิบัติกายคตาสติสักก่อนแล้วจึงจะสามารถทำวจิสังขารเกิดได้วจิสังขารจะเกิดนะมันทีหลั ง, ลงเลยนะใช่มันไม่ใช่เกิดมันดับก่อนแล้วมันมั น, ม, นมันจะมันจะเกิดทีหลังเกิดก่อนในตนการปฏิบัติธรรม ก็จะเกิดนิโรดนี่ต้องดับวัจจิสังขารก่อนนะได้วัจจิสังขารก่อ น, นแล้วถึงจะเป็นผลที่หลังพอมาเป็นการเกิดดับกิเลสได้แล้วจึงจะเป็นการเกิดมันผ่านกายคตาสติไปแล้วมันเป็นผลสําเร็จของอานาปานาสติไปแล้วใช่กระบวนการเริ่มต้นเนี่ยให้มันสิ้นสุดกระบวนการเริ่มต้นก่อนการเข้านี่คือการเข้ากับการออก เป็นใช้ววหารเข้า ท, ที่จึงไม่ได้เข้าไม่ได้ไไดออกอะไรครับแต่หมายถึงกระบวนการของของการมีกิเลส อ, อ่ะก็คือกิเลสมันเข้ามาพร้อมกับกระบวนการรับถูกกิเลสมันสิ้นสุดเคลียร์ล้างกิเลสมันหมดไปแล้วถึงจ ะ, ะวัจจีมันถึงกระบวนการนี้จึ ง, งจะออกมาภายหลังครับทีนี้จากอุทัยธานีครับตอนเจอผัสสะแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาแต่อาการไม่รุนแรง เรามีสติรู้อบรมจิตและกิเลสค่อยๆหายไปแต่พอเจอผัสสะที่แรงเรากำหนดรู้สูตรลมหายใจเราจิตก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วเราก็อบรมจิตตนเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ได้ได้คุณอาศัยสมถะช่วยครับที่อธิบายมาตามโจทย์นี่อนาะตมาฟังตามโจทย์คุณเนี่ยครับคุณอาศัยสมถะช่วยและคุณก็ยังไม่ได้ดับจิต แต่คุณก็ค่อยๆพิจารณาไปเพราะางันั้นพลังของไฟฌานพลังของกําลังปัญญามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใช้พลังของสมถะช่วยเม่อมันกําหนดแล้ว ม, มันเจออันที่แรงขึ้นคุณก็ใช้มันนี่มันช่วยเป็นอุปการะไงและคุณก็พิจรารณาพิจรารณาไม่ได้ไปปฏิบัติแบบดับมันทั้งอย่างหนึ่งระแบบดับมันอย่างหนึ่งเดินไม่ใช่แต่นี้เป็นการพิจารณาไปตามลําดับตามลําดับในการปฏิบัติ เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วต้องอาศัยอย่างนี้แหละต้องสมร t h ก็ช่วยในการที่จะปฏิบัติบิปัสสนาช่วยกันไปไปร่วมการละกันแล้กันต้องร่วมกันและกันร่วมกันละกันครับคําว่าทางเอกคําว่าทางเดียวเหมือนหรือแตกต่างกันถ้าแตกต่างแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันภาษาเท่านั้นเอกเดียวเอกเนี่ยมันมาสามารถจากรากสัพท์ภาษาบาลีก็แปลว่าเดียวนั่นแหละแต่ภาษาเดียวนี่มันภาษาไทย ภาษาไทยค า, าเดียวนี่ภาษาไทยเอกมันมาจากภาษาบาลีไม่ได้ต่างกันอะไรแต่สภาวะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเขาเขียนบอกว่าอดีตกับอนาคตเป็นอวิชาช่วยขายายตรงนี้ให้หน่อยครับอดีต ข้อเอ๋อถูกแล้วครับอดีตกับอนาคตเป็นอวิชาน่นจะเป็นข้อเนะครับอาจจะเป็นจ็ดไหมทีอดีตกับอนาคตเป็นอวิชาแล้วก็เขียนน่าจะเป็นเจ็ดข้อเจ็ครับข้อเ็ดข้อเจส่วนอดีตและส่วนอนาคตครในอวิชาข้อที่7อ๋อครับอว่าไงช่วยขยายตรงนี้ให้หน่อยครับเอ่ออันนี้มันก็ยากอยู่นะอาตมาต้องขออธิบายยาวนิดนึงก็คืออวิชาทั้งเจ็ดไม่ใช่อวิชา8 อวิชานี่มันมีแปดหนึ่งมันไม่รู้ทุกสองไม่รู้สมุทยัยสามไม่รู้นิโรธสี่ไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดการดับกิเลสดับสมุทยัยก็คืออริยสัจสีนั่นเองนี่คืออวิชชาสข้อแรก4ข้อต่อมาคือข้อ5ก็คือไม่รู้ในส่วนเป็นอดีตข้อที่6ไม่รู้เป็นส่วนอนาคต ข้อที่เจไม่รู้ทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตข้อที่8ดไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้แหละมันทําให้คนงงว่าข้อหบอกว่าไม่รู้ส่วนอดีตเพราะใครรู้ส่วนอดีตแล้วก็รู้แล้วนี่ครับถ้าใครทําให้รู้เกิดวิชาแล้วมันไม่เอาวิชาในส่วนอดีตแล้วส่วนก็อหไม่รู้ในส่วนอนาคตพอมีวิชาก็รู้ส่วนอนาคตแล้วนี่อ่าแล้วข้อเจ็ด ทั้งส่วนอดีตั้งส่วนอนาคตอ้าวแล้วไม่รู้ได้อีกทำไมอ่ะก็รู้ถ้าเผือว่ารู้ในส่วนอดีตรู้ในส่วนอนาคตแล้วเนี่ยพ้แล้วเนี่ยแล้วข้อเจ็ดจะต้องมาไม่รู้ส่วนอดีตส่วนอนาคตอะไรอีกอ่ะกอดีตก็มีแล้วอนาคตก็มีแล้วทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตเนี่ยหมายความว่าอะไรไม่รู้ยังไงมันไม่รู้ยังไงโอ้ยากนะมันพูดซ้าพูดซอนอีกทาไม ก็อดีตก็ข้อหาอนาคตก็ข้อหกก็ทำไม่รู้มันก็รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหมดแล้วนี่ต้องมีข้อเจ็ดทำไมยากนะถ้าไม่มีสภาวะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนยากในอนาคตกับอดีตอนาคตในข้อเจ็นั้นหมายความต่างกันว่าอนาคตกับอดีตนี่มันเป็นอันเดียวกันอดีตัอนาคตเป็นเดียวกันอันเดียวกันคืออะไรมันเป็นเอกะเอกคตา ที่เป็นนิจังทุวังสัตตังวิปปณีว่าข้อเจ็มันจะต้องเป็นอันเดียวกับถาวรเลยนิจังทุวังเลยคือศูนย์คือกิเลสศูนย์ ส, นส่วนข้อหกับข้อหนั้นคืออดีตก็ไม่เที่ยงครับอานาคตข้อหก็ไม่เที่ยงครับส่วนข้อเจนั้นอดีตอานาคตเที่ยง อ, อะไรเที่ยงความไม่รู้ของคุณหมดไป ความไม่รู้คุณนะ่ะไม่มีอีกแล้วเที่ยงแล้วไม่มีความไม่รู้อีกแล้วทำกิเลสศูนย์ได้ตลอดการแล้วนะเพราะฉะนั้นในส่วนอดีตฟังดีๆนะมันอาจจะยากในข้อห้าในขณะที่คุณยังเป็นเศษสเสขับุคคลคุณยังดับศูนย์ในอดีตไม่ได้ไดไดแน่นอนคุณก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะ มันก็ไม่อยู่อย่างศูนย์เที่ยงมันไม่เหมือนการข้อเจ็ดละหรือข้อหก็ตามข้อหอนาคตก็ไม่เที่ยง อ, อนาคตก็ไม่เที่ยงในเป็นสาสวะที่คุณยังทำกิเลสยังไม่ดับศูนย์ 0, มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนั่นคืออดีตของอดีตและอนาคตในขณะเป็นศาสวะไม่เที่ยงทั้งคู่แต่ข้อเจนั้นหมดศาสวะ เป็นอนณาสวะแล้วอนณาสวะนั้นรักษาผลจนเที่ยงรักษาผลจนเที่ยงทีนี้เมื่อรักษาผลได้เป็นอรหันต์แล้วรักษาผลให้เที่ยงที่งๆเที่ยงเนี่ยถามว่าอดีตข้อห้ากับอนาคตข้อห้าข้อหกของพระอรหันต์เที่ยงหรือเปล่า hmm. ไม่เที่ยงอีกเห็นไหมไม่เที่ยงเพราะอะไร เพราะกุศลของท่านไม่เที่ยงกุศลนั้นไปได้อีกแต่บาปนั้นเที่ยงอบาปไม่มีแล้วเที่ยงในข้อเจ็สรพปาปัสากระนังไม่เกิดอีกไม่เป็นอีกสําหรับพระอาหารหันต์แต่กุศลนั้นกุสลสุบสัมปทายังเก็บจะทำอีกเท่าไหร่ <te em S 2> ก็ได้ไดเพราะฉะนั้น อ, อดีตที่เกิดจากปัจจุบันสั่งสมลงก็ไม่เที่ยงครับไปเป็นอนาคตก็ไม่เที่ยงครับ เพิ่มมากขึ้นก็ได้ถ้าผ่านอดีตมันก็กุศลเพิ่มขึ้นผ่านอดีตกุศลก็เพิ่มเพราะท่านไม่ทําชั่วอีกแล้วไม่ทาบาปอีกแล้วไม่ทําอย่างกิเลสแล้วไม่ทําอกุศลอีกแล้วมีแต่กุศลกุศลกุศลกุศลมีแต่กุศลเพิ่มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ท็จไม่เที่ยงของพระอรหันต์นั่นคือกุศลทั้งนั้นทั้งในอดีตทั้งในอนาคตของกุศลทั้งนั้นครับนี่คือความไม่เที่ยงทั้งข้อห้าแลข้อหกเนี่ย มันไม่เที่ยงทั้งขึ้นทั้งร่องสาสวะก็ไม่ไม่เที่ยงอ น, นาสวะก็ไม่เที่ยงส่วนข้อเจ็ดนั้นเที่ยงสำหรับพร ะ, ะอรหันต์ส่วนผู้ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นไม่ได้ไม่รู้เรื่องอธิบายไม่ได้ด้วยใช่อธิบายไม่ได้ดคือพะนั่งฟังเนี่ยประเด็นลักษณะการตั้งประเด็นอย่างเงี้ยในการอา ธ, าธิบายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทาให เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นพระมหากรณ์ที่คุณในปัญญาขององค์ท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีอะไรเส้นไม่รู้ในเรื่องของมนุษย์ชาติใช่ในเรื่องของมนุษยชาติจุดูรั่วทุกมิติได้เลยแต่เพียงแต่ว่าปัญญาของผู้รับรู้รับทราบจะไปถึงหรือเปล่าจะมองออกทันไหมนะครับเด็กๆหลับไปยังนะหลับแล้วเหรอมาตื่นขึ้นมาขอบทนฟังไปหน่อยครับผู้ใหญ่แล้วหลับไปยัง ยังเห อ, อใครหลับไปแล้วบ้างยกมื อ, <c oughs> อถ้าหลับไปแล้วก็ยกมือไม่ได้เนาะพอมาตรงนี้จากอุไทัยธานีบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆครับ <c oughs> ตอบอย่าไปรูปมันเลย <c oughs> อครับอตมาเคยอธิบายนะว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยังเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้ายังเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบูชาคุณก็บอกเอออันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุคุณก็บูชาไปเถอะล้วก็สมมุติว่าเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้เพราะสิ่งที่ไม่จริงยิ่งกว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เรารู้อยู่ว่ามันไม่จริงคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่ไม่จริงเลยไม่มีส่วนใดเป็นของพระพุทธเจ้าเลย ม, มีแต่สร้างขึ้นมาเองปั้นขึ้นมาดินทราย จากอินทนีดีไซน์ทองคำกนแล้วแต่ครับพระพุทธรูปนี่รู้ว่าไม่จริงเลยคุณก็ยังบูชาเคารพได้อืเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะแม้มันจะไม่จริงคุณก็เอาเถอะคุณก็นับถือพระพุทธเจ้าแล้วคำถือบูชาก็ต้องให้เป็นครับไม่ใช่เป็นนับถือบูชาอย่างขลังอืแต่นับถือบูชาเพราะเราเรึกว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐได้นำสิ่งประเสริฐมาสอนเราจริงรเราก็ระลึกถึงพระองค์จริงโดยมีสิ่งนี้เป็นสิ่งจูงนำจะเป็นพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุก็ตามปลอมก็ตามจริงก็ตาม <c oughs> no problem no problem ไม่มีปัญหานี่ พ่อแม่แต่สมมติจริงๆคุณกบูชากันจะเป็นสะตายได้ก็ไอ้ น, นี่มันอาจจะจริงอ่ะพระบรมสาดีท่าท่าเนี่อ า, นอาจจะจริงอ่ะแต่ก็มันไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ได้จริงจริงๆเลยใครจะยืนยันได้ไม่มีจริงอ่ะอมันมีใครยืนยันได้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอนะไรถ้าเราจะเคารพเปลี่ยนวิธีคิดซ ะ, ะเปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเอาให้ได้พิสูจน์ได้ใครจะมายืนยันพิสูจน์กับคุณะออืเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะใช้ เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกเคารพ บ, บูชาระลึกถึงพระคุณของท่านเท่า น, นั้นใช่ไหมอย่าไประลึกถึงเพื่อครั้งโอ้โนี่ของจริงต้องครั้งจะต้องบรนดนบันดาลเราอย่างง่นอย่างนี้จะทําให้เราบรรลุธรรมด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่แม้จะเป็นพระบรมสารีกธาตุอันจริงครับก็บรรดาลนี่คุณบรรลุไม่ได้อขอยืนยันใช่บรรลุไม่ได้แม้จะเป็นของจริงก็คือเออมันจริงเท่า น, นั้นแหละครับมาสุดยอดละ ไม่งั้นจะไม่มีคำว่าอัญญามา<อ>ันสักครูนที่พระครูบอกเอพราะพระองค์ท่านจงต้องตปสอน เ, อเพื่อให้เกิดปัญญา<อ>แล้วก็เกิดอัญญาขึ้น<อ>มาครับมาต่อครับการไปสู่นิพพานมีทางเดียวหรือหลายทางขอความกรุณาช่วยอธิบายด้วยจากคุณ96 9699ครับถามว่าการไปนิพพานมีหลายทางหรือทางเดียว <laughs> ก็เอาขอยืนยันคำตรัสของพระพุทธเจ้าเลยว่าเอเสวะมัคโคนัททนโย มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นคือมรรคองแปดเพราะฉะนั้นใครบอกว่าทางไปนิพพานมีหลายทางปฏิบัติอย่างโน้นก็ได้ปฏิบัติอย่า ง, งนี้ก็ได้ขอให้ปฏิบัติเถอะมันหลายทางมันก็ไปได้นั่นเป็นการลมลางคําสอนของพระเจ้าของพระเจ้านั้นมีทางเดียวเท่านั้นเอาบารีมายืนยันอยู่ในพระธรรมสี่ข้อดดลองคน ด, ด, ดูข้อใดเล่มใดข้อใด มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นดูม่นจะอยู่ในเล่มยี่าีธรรมบทน่ะมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนัท่านโยแเลว่าไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคมัคโคเอเสวะทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเอกเอหนึ่งไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไปปฏิบัตินอกทางหรือผิดทางของมัคองแปด นี่แหละมิจฉาทิฐิในทางนี้แม้แต่มิจฉาทิฐิคือมิจฉาทิฐิสนะที่ท่านตรัสไว้ในมหาจ ต, ตารีสกสูตรนั่นครับชัดเจนก็ไม่ตายแล้วเอาว่ามอาอิมห้าเลยมาไม่ชิข้อ30เล่มยีห้าข้อสามสเอเซมมัโคโคนทท่านโยอ่าเอาท่าไม่ต้องเอามาดูายืนยันมาก็ถูกต้องแเช็คได้ในนัน้ น, นาทางน้นออกแล้วใ น, นวทงน้นขึ้นลทาง อิเสิร์ตไปแล้วข้ อ, อ30มนสะินาเ่มยีาเอสลามะโคโ น, นัดท่านโยฟังไว้อย่าไปให้ใครหลอกว่ามีหลายทางต้องเข้าใจให้สมาธิฐิในมรรคองค์8ต้องศึกษาในมหาจัตตารีกสกต ร, รซึ่งครบดีสูตรอื่นก็มีสูตรอื่นก็มีบ้างที่บอกว่าจะต้องปฏิบัติสมาธิฐิ10มีอะไรได้พวกนี้มีแต่ว่าไม่ครบเท่าในมหาจตารีกสกุล มีข้อนี้มีสูตรนี้ละครบที่สุดในพัตตปิโรเลม1ิอันนี้มหาจัตตารีสกสูตรตั้งแต่ข้อ252ถึง281อยมี30ข้อครับนี่จากแพร่ครับอ่าแล้วแม่วัยรุ่นคงจะชอบคำถามนี้การที่คนเราไม่สมหวังในเรื่องความรักเป็นวิบากกรรมใช่หรือไม่ครับออตอบอย่างนี้ก่อน การไม่สมหวังในความรักคงหมายถึงความรักของเพศเนาะการไม่สมหวังในความรักนั้นนะ่ะก็เพราะว่าเราโง่ต่อนนี้ก่อนคือเรายังนึกว่าความหังความรักนี่เป็นความจาเป็นจะบอกว่าถามว่ามันเป็น เ, เรื่องของอะไรวิบากรรมวิบา ก, ก, บากรรมอันเก่าจะบอกว่าวิบากก็ใช่คือผลยังมีอวิชชาเก่าอยู่ ผลเนี่ยเรายังมีอวิชชาเก่าอยู่นันหนึ่งอสองแม้ว่าเรื่องของความรักนี่นะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังมีบุรงลมองค์ข้าพองเศษเสี้ยวข้องลีงลมองคองคือมันเกิดในโลกโล ก, กีมันมันมีอันนี้กันมันก็ครอบงาเพราะฉะนั้นในช่วงบุรี ล, ลมองค์ข้าพองคือเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ ยังไม่ฟื้นตัวยังไม่เกิดตัวจริงออกมาครับทั้งมหา婆โพธิสัตว์เลยจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีช่วงรงลมองค์ก็พองครับก็ต้องไปปรุงแต่งเหมือนกระจริงกระเขาไปท่านแต่ท่า น, นไม่หยาบคายไม่เหมือนหนักหนาอะไรตามบารูมีบารมีของใครของมันท่านก็ไปก็เขาเท่านั้นเองชั่วคราวแต่เนื้อแท้ขึ้นมาแล้ว มันไม่ปุถิตาได้แล้วสรุปแล้วด้ยวยจะยากเกินไปนะความรักมันมีความรักอยู่หลายมิติต้องเรียนความรักสิมิติเพราะฉะนั้นความรักที่เป็นเพศหรือเป็นกามเป็นราคะนี้เป็นความรักหลอกเป็นความรักเท็จเป็นความรักไม่จริงเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นวิบากก็คือจากอาวิชชาโง่ เพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ที่บรรลุแล้วก็ยังมีข้องามทัางโลกได้อย่างที่พูดไปแล้วแต่จริงๆแล้วลางได้ส่วนความรักที่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นันคือความรักของพระเจ้าความรักของจิตวิ ญ, ญญาณที่บริสุทธิ์สูงสุดแล้วไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวแล้วจริงๆเลยเป็นความรักความกรุณาเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขามวลมนุษยชาต อย่างนี้เป็นความรักอันยิ่งใหญ่จะต้องสร้างให้ได้เรียกว่าปิยกรณะไม่ใช่เปรมะไม่ใช่ความรักที่เป็นเปรมะเป็นความรักปิย ค, ความรักอันนี้เป็นอันเป็นที่รักของทุกคนในโลกเดี๋ยวคงจะถามเรื่อง เ, ออเกี่ยวกับการศึกษาพร้อมกันไปเลยนะครับมีจากสามพานนะครับมีสามคำถามมีจากเด็กๆตรงในนี้ด้วยจากสัมพันบอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้ผมขอแก้กฎหมายสาหรับครู ถ้าโรงเรียนไหนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกให้ไล่ครูใหญ่ออกโดยไม่ให้รับบำนาญ น, นะครับเด็ <c oughs> กๆ ก, ก็เลยบอกต่อมีคำถามสอดรับกันเลยครับพ่อท่านคะเราไม่ให้ติดศูนย์ทำอย่างไรดีคะไม่ติดเลยไม่ให้ติดศูนย์นะครับสอบติดศูนย์น่ะสอบทกโอ้โหสำหรวจไม่ให้ติดศูนย์สอ บ, บตกพอดีคำถามมันสอดคล้องกันพอดีเลยโอจะทำยังไง มันก็ต้องตั้งใจเรียนเท่านั้นแหละมันจะไปทำยังไงถ้าไม่ตั้งใจเรียนมันก็ต้องศูนย์นะ <c oughs> ไอ้ส่วนที่จะให้ไปออกกฎหมาย <c oughs> ที่จะไปไล่ครูออกนั้นไม่บังอาจที่จะไปแนะนำเลยมันไกลเกินไปที่อาตมาจะไปบังอาจแนะนำครับก็อันนี้ก็ถามมันน่าจะมีการลงโทษกันบ้างเหมือนกันนะครับ เพราะว่าไม่เอาใจใส่มาเป็นครูก็มาทำอะไรมันทำไมมันไร้สมรรถภาพกันทึกขนาดนั้นครับบอกให้ไล่ครูใหญ่ออกต้องไม่ให้รับนานด้วยโอโ้โหรูเดือ ด, ดเดอดนาะ<น>ดเดือดเลยก็เอาเธอเอาประมาณพอดีพอ ด, พอดีแต่มันไม่พอดีมันก็มากไปครับอันนี้ก็น่าจะ <c oughs> พวกที่น่าจะม6นะครับปีนี้รับกฎที่พุท ธ, ธสถานไหนคะ รับวันที่เท่าไหร่เดือนไหนคะลายมือสวยมากน่าจะเป็นสุภาพสตรีอ้าอ้าค่ดคาก็ตงเป็นสุภาพสตรีไม่เอากระเทยเพราะที่เราไม่มีกระเทยนี่แต่สตรีใช้คําว่าคะเนี่ยถ้าเผื่อว่าปกติก็คงจะรับกันที่ปฐมสุขถ้าเผื่อว่าปกตินะถ้าไม่ปกติก็ไปรับบางทีไปไปรับที่ข้างแม่แหวนน้ำเจ้าพยาก็ยังเคย ไปรับที่ข้างทำเนียบเลยก็เป็นรุ่นรุนไปอยู่หน้าเขาป้ายกระบอกปืน M76 มเจ็ดสิอะไรนี่ก็จะจะกลอะไรนี่ก็ยังเคยไปรับกันหลที่เลยนาเคยพาไปรับกันหลที่นั่นไม่ปกติแต่ถ้าปกตินี้ปีนี้ก็คงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เราก็ใช้ปทมโซงนี้เป็นแหลงกลางเพราะว่าเป็นอ่าเป็นชุมชน พี่เพื่อนเป็นยุ่มตนก่อนเพื่อนเป็นพุ่มตนชุมชนแรกของชาวโซงเราแล้วก็เลยต้องใช้ที่นี่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วต้องใช้ที่นี่ครับอันนี้จากคุณ9664ครับขอถามพ่อท่านว่าที่เขาสอนพุทธวจนะนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับสอนพุทธวจนะครับที่ให้ท่องท่องกันนี่แหละครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ หมายความว่าอะไรสอนพุทธวจนะครับ ม, มีมีกลุ่มอ๋ค <น S 1> อคงไปเอาของกลุ่มของพระคริตริศของท่านคริตริศมาว่าเนี่ยใช้คําพุทธวจนะครต้องอธิบายกันอย่างนี้นะอันนีนะ้มีคนแย่งกันไปแล้วก็นคนมั่นไส้ท่านมากเหมือนกันอวายด์มั่นถือมั่นพุทธวจนะขอยืนยันว่าการใช้พุทธวจนะนั้นดีมากนะ ได้พระพุทธวจนะนั่นดีมากศึกษาตามพระพุทธวจนะนั่นดีเข้าใจให้มันถูกต้องก็แล้วกันยึดพระวจนะของพระพุทธเจ้าแต่ก็ตีความหรือว่าทําการเข้าใจผิดเพี้ยนไปมันก็เลวไห ล, หลเหมือนกันนะทีนี้ก็เห็นใจเหมือนกันน่ะผู้ที่ยังไม่มีสภาวะจริงเนี่ยไปตีความของธรรมะพระพุทธเจ้านี่ตีได้หลายแง่เลยนะอะ่อ่า ไม่ให้ตีความเนี่ยแล้วจะไม่ให้ตีความก็คือจะต้องแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยไม่ให้ตีความไม่ให้ขยายความก็พูดบัญญัติกั น, นมาพูดบวหานกันไปเท่านั้นเองมันก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแล้วก็คือผู้ใดมีสภาวธรรมจะ สามารถรู้จักพระวจนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเข้าใจความหมายเข้าไปขยายสภาวะไปสื่อสภาวะด้วยบัญญัติภาษาตั้งแต่บาลีมาเป็นต้นแล้วก็ขยายความมามาเป็นภาษาไทยหรือมาเป็นภาษาอื่นใดก็แล้วแต่เราถือว่าภาษารากเงาจากสันสกฤตหรือบาลีมาเนี่ยถ้าเราก็มีสภาวะแล้วเนี่ยมันพอจะเข้าใจมแม้คุณจะมาแปลเป็นภาษาไทยครับ ตรงมั่งไม่ตรงมั่งเฉียดเฉียดมั่งหรือดีไม่ดีผิดไปเลยแล้วเราก็มีอันอื่นที่จะมาเชื่อมโยงก็จะรู้ว่าอันนี้ผิดไปไกลอย่างนี้เป็นต้นะนะเพราะงั้นผู้ที่มีสรุปแล้วก็คือผู้มีสภาวะจริงที่เป็นปรมาจริงเป็นสัจจะแท้อันนั้นน่าจะสามารถที่จะขยายพยัญชนะหรือพนนอพรันชนะได้จริง แต่การศึกษานี้ใช้พระวจนะน่นดีแล้วแต่อย่าพึ่งไปตีทิ้งแม้ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าเป็นของพระเทระก็ดีแล้วก็ควรจะต้องรู้ของพระเทระนั่นจะมีทั้งที่ที่เรียกว่าของพระเทระหรือเทราวาดวาทะเนี่ยเป็นคาพูดของพระเทระนี่ก็คือจริงๆแล้วคว่าวาทะเทระนี่คือพระอ น, นอืม พระอนนณ์นี่เป็นพระเถระเป็นคำพูดของพระอนนท์ทีนี้ถ้าเราจะเอาคำว่าเถรวาดก็ต้องหมายเอาว่าเป็นพระเถระในรุ่นหนึ่งรุ่นของพระพุทธเจ้านั่นรุ่นที่พระพุทธเจ้ายังร่วมสมัยอยู่ัพ erm i, อเงิน พ, พระเถระที่ร่วมรุ่นสมัยพระพุทธเจ้ า, จ า, จ า, ายัยานนงอยู่รับจากพระโอษพระพุทธเจ้ามาเลยนี่เรียกว่ารุ่นหนึ่งรับจากพระโอริยเจ้ามาของตนเอง พระเทระที่ได้รับมาแล้วก็พูดเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าเถรวาทะแท้แท้ตากจากนั้นลงมาถือว่าอัทธกถาจารย์ถือว่าอาจารย์รียวาดซึ่งเป็นวาทะของอาจารย์รุ่นหลังมารองมาหมดเลยครับมีข่าวแก้เรื่องรับกดครับพรอครูครับที่ประชุมครูนัดหมายรับกบปีห้าแปดที่บ้านราดครับอ๋อ อันนี่เขาตกลงกันแล้วนะอาตมาตกนะอาตมาไม่รู้ความรู้อันนี้นประชุมครุขุ ก, กันแล้วว่านัดหมายให้รับกรดที่บรรดาศ์ 5-8 นี้ช่วงปลุกเสกกำหนดเวลาด้วยว่าช่วงปลุกเสกปีหน้านช่วงปลูกเสกปีหน้ารับ ก, กรดเพราะงั้นจบไปแล้วสมมติว่าจบมีนาปลุกเสกเนี่ยเออปลุกเสกมัน มีนาคุมภามันก็ประมาณเดียวกันเนี่ยจังหวัเดียวกันเนี่ยมีนาคุมภาครับอ่าตปพุทธาพิธธาเศษและคุมภามีนาอ๋อแต่ปลูกเสียงนี่มันเมษาปลุกเสียมันเมษาต้นเมษาปลุกเสีงต้นเมษาชาไปนิดหนึง่งชาไปกว่าเก่านิดนึงเมษาครับอาจะเป็นตัวรแก้นะีอาตมามข้อมูลไม่ครบคณะครูพราะาทาปกติเขท่านจัดกันอย่างนั้นอาตมาข้อมูลเก่า นี่ข้อมูลไม่เอี่ยมครุประชุมกันแล้วครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอดีตจากพระวัดป่าครับถามว่าพระกรรมฐานนั่งภาวนาหลับตาใช้ลมหายใจเป็นกะสินพอจเจริญสติไปได้สักครู่ท่านก็สอนว่าให้ละ ง, งับกายสังขารคือให้ลืมให้พลากความใส่ใจในลมหายใจถามว่านะครับ ถามว่าแล้วการระงับกายสังขารคือการละความสนใ จ, ล ม, ใจลมหายใจครับหรือว่าเป็นอย่างอื่นครับนี่แหละคือคารไม่เข้าใจไม่เข้าใจท่านบอกว่าอย่าทิ้งแล้วไม่เข้าใจหรอกว่าในคำสอนที่บอกว่าท่านอันนี้ก็คือความเป็นกายลมหายใจก็ความเป็นกายเนี่ยไม่เข้าใจในใ น, ในยะลึกซึ้งสาคัญว่า เพราะการเรียนรู้นั้นกายเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับดินน้มไฟลมลมหายใจนี่คือธาตุลมก็มหาพุธรูปเพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับมหาพูทธรูปอยู่ทั้งสิ้นอย่าเป็นละแม้ไม่ละนั่นแหละให้พิจารณาทั้ง16กอย่างให้ปฏิบัติให้ได้อย่างในอาณาปานสติแล้วมันจะครบวิโมกแปดด้วยกายสัมผัสวิโมกแปดด้วยกาย ซึ่งจะพร้อมไปหมดเลยตั้งแต่รูปีรูปานิปสัสสติจะต้องเห็นรูปทั้งหลายเลยรูปีรูปานิปสัสสติสองจะต้องทั้งพิจารณาทั้งภายนอกภายในมีสัญญากำหนดรู้ของตนเองเอโกและก็เห็นเห็นรู้ทั้งหมดเลยทุกอย่างครบองค์ประชุมทั้งหมดทั้งภายนอกภายในอัจจตัง อรูปสัญญเอโกพระหิทารูปานิปัสสติวิโมก8แข้อสองจนเกิดผลเป็นวิโมก8แปข้อที่สนะเป็นสุพันเตวะอธิมุตโตโหตินะเกิดเจริญสุภะเกิดเจริญเกิดสิ่งที่ได้ที่เป็นขึ้นมาปายมอีอธิมุตโตโน้มเอ็นไปสู่ที่สุดไปสู่บรรลุสูงสุด นั่นเรียกว่าวิโมกสามแล้วก็ทำให้มันได้สูงสุดจนกระทั่งถึงผลอุเบกขาแล้วก็ตรวจอุเบกขาไปอีกทบทวนไปอีก4วิโมกจนไปถึงวิโมกอีกสุดท้ายเรียกว่าวิโมกที่หาของอากาศสาวิญญาณัญจ า, ากินจัญญานิวัตสัญญานาสัญญาสี่แล้วก็ไปจบที่สัญญาเวทิจิตนิโรธเรียกว่าวิโมกข้อที่8ดอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องอยู่ในองค์ประชุมทั้งนอกและในมีกายทั้งหมดที่บอกว่าให้เพิกกลมหายใจที่อธิบายมานั้นอาตมาเห็นเข้าใจเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เคยปฏิบัติอย่างนั้นด้วยตั้งแต่ตอนยังไม่รู้แจ้งรู้จริงยังไม่ครบยังหลงอยู่ครอบงาทางความคิดทั้งโลกก็ทาอยู่ ดีไม่ดีแล้วเพิกจากอารมณ์ลมข้างนอกแล้วไปเล่นลมข้างในเลยนะเล่นลมขึ้นลมลงลมเบาลมอุ่นลมเย็นลมอะไรไปเลอะเทอะไปหมดเองเลยน่ยกระสินทั้งนั้นให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมโดยใช้ลมเป็นเครื่องนําอย่าให้พากจากอันนี้เท่านั้นเองเรียกว่ากสินลมก็ได้เขาก็เล่นกันไปซึ่งผิดในคําสอนอุจ้าไม่ตรงตามพระวจนะ ขออภัยนะที่อาตมาวิจารณ์วิจัยอย่างนี้นี่พูดเป็นวิชาการสู่กันฟังการนั่งหลับตาสมาธินั้นผิดพลาดและออกนอกทางของพุทธเจ้ามากกว่ามากจนกระทั่งหลงว่าการปฏิบัตินั่งสมาธินั้นคือการปฏิบัติสมาธิหรือฌานของพุทธซึ่งขอยืนยันว่าผิดนั่งอย่างนั้นถ้าเข้าใจไม่สมาธิฐิแล้วผิดหมดเลย และยิ่งไปเข้าใจอย่างนั้นได้อย่างเดียวไม่เข้าใจการปฏิบัติมรรคองค์8สร้างสมาธิด้วยการปฏิบัติมรรคเจ็ดองตามที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยในขณะลืมตาสร้างสมาธิตั้งแต่การทำงานอาชีพเลี้ยงชีพทั้งอยู่กรรมคิยาทุกอย่างกรรมมันตะทั้งการพูดวาจาเป็นสมาทั้งการนึก ค, คิดสังกัปะ ซึ่งสังกัปปะนี้แหละจะต้องเข้าใจในขณะที่มีองค์ประชุมทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็พิจารณาสังกปปะเจดได้ในขณะที่มีสัมผัสข้างนอกตามหัวจมูกร่างกายทำงานอยู่ทั้งข้างนอกนี่แหละซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติฌานก็ดีสมาธิของพระเจ้าก็ดียางลืมตามรรคองแปดนี่คือการปฏิบัติทางเดียวเท่านั้น เอเสวมัคโคนท่านโยทางเดียวเท่านั้นที่จะพาไปสู่นิพพานและมัคองคแป8นี้มีทั้งการงานเลี้ยงชีพมีทั้งอะไรไม่ใช่แ่าแยกกันอยู่เป็นส่วนๆรวมกันอยู่หมดเลยโดยเฉพาะสัมมาสมาธิติเดียรของท่านว่าสมาธินเน่ท่านมีกำกับไว้ด้วยสัมมาด้วยของพระเจ้าสัมมาสมาธิจะเกิดได้ต้องปฏิบัติมัคเจ็ดองนี้สัมมาสมาธิจริงๆนั้นเป็นผลของมัคเจดอง ปฏิบัติสัมมาสมาธิปฏิบัติมรรคเจ็ดองนี้จะค่อยๆเกิดผลเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นสาสวะมาเรื่อยๆจนกระทั่งสาเร็จจึงจะเป็นการดับอาสวะเป็นอาสวะสิ้นจึงเป็นสมาธิถึงขั้นนิโรธดับอาสวะถึงขั้นนิโรธ คำถามในประเด็นที่ถามมาในะระ ง, งับกายสังขารขออธิบายตรงนี้มีเวลาอีกสามนาทีการระ ง, งับกายสังขารนั้นไม่ใช่ไปการระ ง, งับอย่าไปพูดถึงลมหายใจเลยไปเข้าใจว่ากายนั้นคือเรื่องของร่างกายกระดูกกระดิกไม่ได้และเป็นนั่งสมาธิที่พูดในถามเรื่องร่างสมาธิ บอกว่าดับกายสังขารนั่นคือนั่งไม่ข ย, ยับยขับเลยนั่นคือดับกายสังขารที่หมายกันส่วนใหญ่ทีนี้ไปบอกว่าถามมานี่ชัดเจนเลยว่าไม่ได้เข้าใจว่ากายสังขารนี่ว่าจะต้องมีข้างนอกสัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยเอาว่าท่านตรัสว่ากายคือลมหายใจยังเข้าอยู่เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์สอนกันว่ากายสังขารมันไ ม, ม่มีลมหายใจเพราะฉะนั้นกายสังขารคือ ระ ง, งับกายก็คือเพิกออกจากรลมหายใจซะเข้าไปอยู่ข้างในซึ่งเป็นความหมายที่ตีความเอาเองผิดออกไปจากสัจจะเลยและเข้าไปอยู่ข้างในเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ตรงกับการปฏิบัติมรรคเจ็ดองเลยนั่งหลับตาสมาธิแบบนี้อานตมาถึงขอยืนยันมาถ้าไม่สมาธิถิ่นในการนั่งสมาธิเนี่ยไม่เป็นอุปการะกลายเป็นภยัยเป็นโทษ เป็นภัยเป็นโทษเขายืนยันแล้วจะเป็นหลงนิโรธเป็นหลงดับเริ่มเป็นหลงมรรคผลแบบาศาสนาเชนบัางแบบาศาสนาฤาษีอีกเยอะแยะเลยที่นั่งสมาธิแบบนี้ทั้งนั้นเพราะสมาธินั่งหลับตานี้ใครก็รู้ง่ายๆไม่คำเภีราทุสศาทุนโนุพโพธาสั้นตาปณิตาอัตกาวจรานิปุนา บัณฑิตเวทนิยาเลยตามที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมะของท่านคัมภีราทุตสาตุนุโพธาสั้นตาปนิตาอัตกาวั จ, จรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยามันไม่ลึกซึ้งมันไม่ใช่เห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากอะไรเลยมันนั่งหลับตาสมาธินั่นนะนะไม่ต้องสอนอะไรกันมากหรอกนั่งจดจ่อจิตไปเลยภาคเพียนเข้าทําให้มากๆเขายังไปคิดไปนึกอะไร รู้เองแล้วมันง่ายจะตายไปวิธีสอนนะไม่ต้องเปโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดละเอียดละอไว้ในอภิธรรมนี่ต้องมากทําไมท่านจะไปตัดมาให้มันเมื่อยทาไมมาบัญญัติทีเหล่านี้ขึ้นมาทําไมไม่งั้นก็ไม่ต้องมาเรียนต่อจากอาราณาบทกับอุทกกดาบบทแล้วไม่ต้อ ง, ท, อ ท, องท่านเรียนกับอุทกกระาบทอารากระดาบทก็ได้ จ, จ, จะเจโตสมาธาแบบเนี้ เพราะฉะนั้นท่านจะไม่บัญญัติเลยว่าผู้ดได้แต่เจโตสมถะไม่ได้โลกุ<ะ>ลกตะระนั้นคือบคุคคลชน<ว>ิดหนึ่งในบุคคลสผู้ได้แต่โลกุ<ว>ลกตะระไม่ได้เจโตสมถะนั่นก็อีกชนิดหนึง่งผู้ดได้ทั้งเจโตสมถะทั้งโลกุ <ban> ลกตะระนั้นบุคคลอีกชนิดหนึ่งส่วนบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้อะไรก็ไม่ได้ทั้งเจโตสมถะไม่ได้ทั้งโลกุตะระก็เป็นบุคคลที่สี่ ทำอย่งั้นท่านจะไม่บัญญัติอย่างนี้เลย hmm. ถ้าแยกเจโตสมาธิกับโลกุตระไม่ออกเพราะฉะนั้นเป็นนั่งหลับตานั้นได้เจโตสมถะไม่สมาธิทิแล้วเขได้แต่โจเจโตสมถะอย่างเดียวผู้ที่พอเข้าใจโลกุตระบ้างก็จะได้โลกุตระบ้างก็มาปฏิบัติลืมตาถ้าเป็นสมาธิทิฐิซึ่งจะต้องสมาธิทิฐิทั้ง10บตั้งแต่ทินนังยิฐถังหุตังกัมมานัง อยังโลกโกปโรโลกโกมาตาปิตาสัตตาวาปัตติกาสมณะพรหมเนาทั้ง10บนี้จะ ต, ต้องเข้าใจจะ ต, ต้องชัดเจนว่าคุณพบทั้ง1ิบนี้แล้วเข้าใจทั้ง1ินี้แล้วคุณจึงจะไปปฏิบัติมรรคองแ์ดได้ถ้าไม่ใช่นั้นคุณปฏิบัติมรรคองค์ดก็ไม่ได้ก็เลยแต่ไปจะนั่งหลับตา าศาสนาก็เลยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีมรรคผลไม่มีโลกุตระมีแต่เจโตสมุตะแล้วก็ไปหลงนิโรดดับตับตาเป็นสุภกินนะหักกันไปเป็นพวกที่แต่นิโรดมืดนิโรดดำเรียกว่าสุภกินนะหัอืมอเอาละเวลาหมดแล้วคุณสรุปได้ครับก็คงไม่ต้องสรุปหลายมากนะครับใครไม่เข้าใจก็ไปดูทบทวนได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เป็นเรื่องที่เรียกว่าเริ่มขยายความลึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าหลายท่านก็คงเหมือนผมนะครับบางครั้งเรามีข้อคำถามในประเด็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่เราไม่สามารถ หาข้อคำตอบในการอา ธ, าธิบายในมิติต่างๆในความเป็นมิติเชิงพุทธได้เช่นไรนะครับเพราะดูเหมือนว่าเราเกิดมานั้นเรามากักจะถูกสอนหรือถูกเอ่ยหรือถูกนำพาแต่เป็นเรื่องของตัดตอนเป็นท่อนเป็นท่อนของธรรม ข้อนุนทำองค์นั่นทำองค์นี้นี่นั่นท่องกันจนคล่องผมจนคล่องแต่กระบวนการทั้งหมดเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านหนึ่งที่ตั้งคําถามว่าแล้วเราจะไปนิพพานได้อย่างไรนั้นกระบวนการทั้งหมดของการเรียนรู้วันนี้เนี่ยทำให้ได้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นว่าขั้นตอนความลึกและความละเอียดของกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะอย่างเรื่องสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีรายละเอียดอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นผมจึงยกเหตุเอาเหตุที่เป็น เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวชีวิตเอามาเป็นตัวตั้งเป็นอุปมาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ให้เรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้จากความเป็นไปเพราะว่าไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นรูปธรรมในสิ่งที่ถูกสอนมาว่าเป็นยังไงและแท้จริงเพื่อการพัฒนาธรรมของเราเองนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพอ่อครูมานะโอกาสนี้ยังสูงยิ่งเลยครับทำให้ตัวผมเองได้เรียนรู้อะไรขยับมากยิ่งขึ้นเหมือนทุกๆ ท, ท, ท่านนะครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในโอากาศด้าครับเจริญธรรมสําน็จดีครับกราบลาครับ อืม mm. เยอะเนาะอ๋อออละอาละอาละนมันจะชาไปอ้าวอ้าวอๆ